จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริันต์ผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนาได้ครนนี้ก็ไปที่ญี่ปุ่นกันนะนะคุณเยอะปา กบนมาตการพระอาจารย์เ้าค่ะมันยังไงเชาคุณเด็กชาคุณคยับนอนแล้วเหรอกึ๊บงีบง่วงแล้วค่ะรอาจารย์อมานี่เร็วเลยรึเปล่านี่จะโูร่าพระอาจารย์กันดนี่ไงพระอาจารย์อยู่นี่ไงอากาศพระอาจารย์นี่ว่าทรตัวเลขของพรอาจารย์เบอร์เป็นยังไงนี่ไงพระอาจารย์หือไม่มีอะไรงั้นกปอ่ะนะคะ เด่วางก็จะเนไปนอนไปนอนเลยโอเคงองแงแล้วค่ะพระอาจารย์อืวันนี้ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์มากับขอธรรมะพระอาจารย์ค่ะอ่าก็ฟังไปนะเดี๋ยวก็โหนกันได้วันนี้ร้อนลุ่มมากเลยค่ะก็เลยมาขอธรรมะเย็นๆตัดความอยากแล้วก็หายร้อนไปสูงไฟหัวใจมันก็ร้อนเลยค่ ะ, ะคมอยากนี่ควอยากมันเหมือนฮเตอร์ไง ปิดฮีตเอปดแอพูดโทพูดโธหยุดความอยากอากาศหนาวๆนี่ร้อนเลยค่ะพระอาจารย์วันนี้อยากใช่ไหมล่ะอยากค่ะอยากเขาหยุดพูดอยากให้เขาหยุดพูดไม่ดีมันเป็นความอยากของเราเองค่ะเราก็เลยดึงตอนมีโมหะมีโทสะขึ้นมาในใจค่ะค่ะ ก็ เ, เป็นเหมือนลมอ่ะเสียงลมพัดเราเวลาลมพัดเราห้ามลมพัดได้ไมค่ะพระอาจารย์ลองทุกอย่างมันเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติในน้ําลมไฟนี่เองนะอันาต า, าไม่ในโตนค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็พยายามสงบสงบใจแล้ววันก็มีมีหลุดพูดไปคือ เหมือนได้ระบายพอได้ระบายไปแล้วก็อ๋อไม่เปแล้วผ่านไปแล้ว ม, มันผ่านไปแล้ ว, ลวเดี๋ยวว่าขอธรรมะชะลมใจสอบตกแล้ววนะันนี้วันนี้สอบตกเลยค่ะพระอาจารย์จเต็มเต็มชุดใหญ่คอมโบโเลยขนาดขนาดฟังทำอยู่เรื่อยๆอยังใช่ค่ะมันทมันแบบว่ากิเลสมาเต็มเต็มแล้วพยายามพยายามสงบใจไม่เอาไม่เอาขอทีหนึ่งแล้วกันอ <laughs> ข, อขอทีอหนึ่งแล้ว อ่านอนี่หายแล้วนะตอนนี้หายแล้วค่ะพระอาจารย์กราบขอค่ะพระอาจารย์ต้องเข้ามาแตะเบลค่ะโอเคค่ะน้ำนําจารย์คำสั่งสอนไปใช้ค่ะอไปที่จะแม่กับแจที่ใช่ไหมทีรานนมัสการพระอาจารย์ครับอ่าว่ายังไงวันนี้ วันนี้ส่งกันบ้านโอเความาแล้เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้ความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้ความตายเป็นไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆชื่อว่าเราจะต้องพราดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นญานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยเราทากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสิภนไเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ ท, นทุกวันทุกวันถิดอ่าพิจารณาทุกวันก็เปล่าพยายมพิจารณาทุกวันครับอ่านะอย่างเดิมนะ เราทำอะไรมันเราต้องป็นทวนรับผลนะออถ้าเราไม่อยากจะรับผลแล้วก็อย่าทำอะไรนิ่งๆเฉยๆไปครัออโอเควันนี้ร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมข<ค> น, นเล็บฟันหนัง<ม>เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อ<ม>ในกระดูกม้ามหัวใจตับทังพืช ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำตีน้ำเฉลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมัข้น น้ำเนือ่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็จน้ำดีเยื่อในสมองสีฉะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจ ม, ม้ามเยื่อใกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บผมตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมขนอยู่ที่ไหน ไม่อยู่ที่ไหนเลยครับ <S 1> <S 1> ใช่ไหมไม่ได้อยู่ในร่างกายนะครับยังอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดกับเราใช่ไหมใช่ครับเราเป็นแต่รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายครับแต่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายนะครับใน <legitimate> ร่งางกายเป็นอะไหรห้ามเล้าห้นะครับเข <ๆๆ S 2> <Leaving S 1> ้าใจไหม เวลาร่างกายเจ็บร่างกายปวดตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องไปร้องไห้ร่างกายมันไม่ร้องไห้เราไปร้องไห้ทําไมเราไม่ได้เจ็บเล็กน่อยเราเพียงแต่รู้รู้ว่ามันเจ็บอปัญหาคือเราไม่ชอบมันเราไม่อยากเจ็บเราก็เลยทุกข์กันครับม่ได้อยากต้องหยุดความอยากไม่ไม่เจ็บนะ มันทำไม่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแ้าเราจะไม่ทุกข์เราจะเฉยๆเราจะสบายทาได้ไหได้น่าจะทำได้ครับน่าจะทำได้เต้องนั่งสมาธิบ่อยๆนั่งสมาธิเยอะๆแล้วก็จะมีสติมีกำลังที่จะทาให้ใจเฉยได้โอเคนะ เป็ไรไหมวันเสาร์นี้จะไม่ไปวัดคับเพราะว่าเพราะว่าจะมัต้องไปคล้ายคล้ายลูกเสื อ, อ, อก็ดีมาได้ก็ดีไม่มาได้ก็ดี <c oughs> ออโอเคก็ไปเจอกันเสาร์ต่อไปก็แล้วกันนะครับโอเคเราขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ ไปที่คุณหมอพี่เชนแก้วนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายทําใจให้เป็นนิพพานครับอาจารย์นิพพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากนี่ปราศจากกามาตัะหาวะตันหามีภาวะตันหาอะจะไม่มีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตัพระ ไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเฉยๆกับกับทุกสิ่งทุกอย่างมาสัมผัสรับดูเห็นรูปเสียงกยลิจนรสก็ไม่อยากเห็นเขาเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่ได้อยากไปเป็นใหญ่เป็นโตกับเขาเห็นเขาเห็นเราไม่สบายก็ไม่ได้ไปอยากให้มันไม่สบายมันจะไม่สบายกันเรื่องของมันเรื่องของร่างกาย ถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เมื่อ้องการอะไรใจเราก็เป็นนิพพานขึ้นมาให่ที่สานบริสุทธิ์นี่จะทาให้ใจหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาเห็นถ้าอยากเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญแทนเพื่ อ, เ พ, อเพื่อสกัดความอยาก อ, อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นก็เอาไปทําบุญะทําทาน อย่าใช้เงินไปกับสิ่งที่มันไม่มีไ ม, มไม่มีความจำเป็นนะนะเราใช้ถ้าเราซื้อข้าวมากินอันนี้จาเป็นก็ซื้อมาได้แต่ต้องมันต้องมักน้อยสันโดษไม่ไป่ฟุ่มเฟือยในการบริโภคปัจจัยสี่ใช้เท่าที่จาเป็นเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำงานหาเงินมา ใช้กับของเหล่านี้เราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นหน้าที่ของทานก็คือเพื่อปลดปลดเวลาที่เราจะต้องทาําอาหากินหาเงินหา ร, าหารทองมาแล้วก็ไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปอะไรกันกินเสร็จทเที่ยวเสร็จมันก็หมดไปไม่เหมือนการเสพยาเสพติดนี่แน่เสพแล้วก็ติดต้องไปอยู่เรื่อยๆ เราต้องเลิกตเลิกเสพ ย, ยาเสบติดเหล่านี้ทุกครั้งที่อยากจะเสพเอาอะไรไปซื้อเสงเหล่านี้ก็เอาไปทำบุญแทนเราจะได้ความอิ่มใจขึ้นมาทำบุญแต่ทำให้ใจอิ่มเราจะยังไม่รู้สึกหิวกับกับยาเสพติดของใจคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมีประโยชน์การทำทานนี้เพื่อให้เราได้ลดรายจ่ายอือ ถ้าเราต้องการจะเอาไปใช้ในสิ่งที่มันจะเป็นก็ไปทําเรืออเก็บไว้ก็ได้ถ้าไม่อยากจะทําเก็บสํารองไว้เพื่อที่เราจะได้หยุดทํางานได้เร็วขึ้นทํางานได้น้อยแล้วมีเงินออกมาเอ า, าเงินนี้มาซื้อของจําเป็นแทนซื้อปัจจัยสี่เราจะได้ไม่ต้องทํางานมากจะได้มีเวลาไปวัดไปปฏิบัติธรรมะขึ้นไปยังต้องปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาต่อไป ต้องมีเวลาโดยเฉพาะสมาธิกับปัญญานี่ต้องมีเวลาปฏิบัติอืถ้ายังต้องไปทํางานทําการอยู่มันก็ไม่มีเวลาอการลดการทํา ง, งานลงด้วยการประหยัดอย่าใช้เงินทางฟุ่มเฟือยใช้เงินทางไปในทางที่ไม่ไม่เป็นคุณกับจิตใจแต่กบเป็นโทษเพราะมันทําให้ติดมันเป็นญามันมันยาเสพติดอืม ต้องฝืนใจห้ามใจต่อไปเราก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติมากขึ้นเพราะเราจะทำงานน้อยลงเราจะทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงเท้านั่นเองอเนี่ยต้องมีต้องทำทานเพื่อเปิดเปิดเปิดทางให้เราเข้าสู่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็ขั้นศีลแปดขึ้น 8, ไป ราจะปฏิบัติสมาธิปัญญาหรือสีนแปดอย่ยางไรมีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะเราจะไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นปัญญาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมไปเึกษารหนังสือธรรมะไปถ้าปฏิบัติรู้แล้วว่าต้องพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปพิจารณาตายัายกอนิจจทุกขังันธ์ตาไป ต่อไปเราก็จะมีเครื่องมือไว้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อันนี้เกิดความอยากเรายัางห้ามใจไม่ได้อย่างคุณเมื่อกี้นี้คุณนักคุณแม่คุณนักคุณทั้งที่รู้ความอยาก เ, เป็นเป็นหตุของความทุกข์ก็ยังอดที่จะอยากไม่ได้อยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขาพูดดีๆกับเราเราห้ามเขาไม่ได้เราบังคับเขาไม่ได้ เอาเป็นเหมือนดินนะ้ำลมไฟเนี่ยอนนี่คือปัญญาเราต้องปฏิบัติอย่างนี้ไปสู้กความอยากทุกชนิดที่โผลขึ้นมาเลวลาพูดมันฟังง่ายแต่เวลามันเกิดขึ้นมาเนี่โอ้มันเหมือนกับเหมือนกับพายุถลมใจเราเนี่ยแทบจะเอาไม่อยู่ ต้องพยายามสู้มันไปเป็นกลางมันจะหมดหมดใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาเขออ้าใจนะคุณหมอาเ ข, ข้าใจมากขึ้นครับแต่น้อมนำไปปฏิบัติกับอาจารย์คุณยศสวัสดีไปนไงสติหายไปหมดหรืยังยังไม่หายค่ะพระอาจารย์เราก็ เป็นครั้งแรกค่ะพระอาจารย์ที่หนูภาวนาพุโทโธได้หมายความว่ามันเป็นความเบาขึ้นนะคะคือตอนที่ยังอยู่บนเขาอะคะ่ะยังยังรู้สึกว่าเรายังฝืนที่จะพุโทโธหนูบอกไม่ถูกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าต้องมัับมันอยู่ยังต้องมันท<อ>มันอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่พอลงมาแล้วหนูถือศีลแปดต่อจนถึงวันที่ยี่สิบแปดตามที่ตั้งใจะะอ่ะค่ะแม้ว่าแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บนเขาก็มาถือต่อ ปรากฏว่าพระอาจารย์คะหนูนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงได้แบบมันหมดไปเร็วมากเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ลองทิ้งคือปล่อยไปเลยมันเจ็บขาก็ก็ปล่อยไปคุยกับคุณดิตยายแล้วแหละเขาบอกว่าบางทีกิเลสมาหลอกปล่อยไปเลยพี่หนูก็เลยลองปล่อยค่ะพระอาจารย์ทีนี้คําถามที่จะถามพระอาจารย์คือว่าพอหนูนั่งแล้วหนูก็ชอบอะค่ะพอหนูตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะพระอาจารย์มันจะเริ่มนิ่งนิ่งแน่นแน่นเนีน่ยประมาณนานทีที่สัก น่าจะสักสี่สิบห้าิบค่ะพรอาจารย์แล้วพอหมดเวลาหนูก็หนูก็ไม่อยากหยุดนะคะพระอาจารย์แล้วมันก็อยากจะนั่งต่อแต่ว่ามันก็มีภารกิจที่ต้องทําต่อหนูอยากได้วิธีความพอดีของการนั่งมันอยู่ตรงไหนอะค่ะพระอาจารย์หรือหนูไม่ต้องตั้งนาฬิกาเลยคะ่ะพระอาจารย์ย่ายตั้งสติเพอตั้งสติถ้าสติ ด, ดีก็นั่งได้นานถ้าสติไม่ดีก็นั่งไม่ได้นาน แต่ว่าถ้าเรามีเวลาจํากัดเพราะเราต้องไปทําธุระกินอย่างอื่นมันก็ต้องตั้งเวลาถ้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่อยากไปตั้งเวลาหรอค่ะบ่ให้ตั้งสติถ้ามีสติดีมันก็จะนั่งได้นานมันจะสงบแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรเวลาก็จะผ่านไปเร็วแล้วก็ในชีวิตประจําวันค่ะพระอาจารย์หนูก็ลองแล้วค่ะหนูชอบมากเลยค่ะพระอาจารย์หนูเดินไปได้อยู่กับพุโทโธได้ด้วย ไม่เคยทําได้ค่ะตื่นเต้นนี่พยายามไปมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันมันต้องหาจุดเริ่มต้นทําจริงๆอย่างจัิงพอทํำจริงจริงจเดี๋ยวมันก็มันก็ได้เหมือนกับเหมือนกับเครื่องบินนะมันต้องมีวันเวให้มันวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆปั้นมันก็จะบินขึ้นได้พุทธศูนย์ใหม่ๆแเรวก็ต้องฝืนน้องบังคับมันฝืนมากค่ะพระเจ้า ไม่ถึงจุดหนึ่งมันก็จะเบาเองมันก็จะเป็นมันอัตโนมัตจริงค่ะพระอาจารย์แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจแล้วว่าที่พระอาจารย์บอกว่าให้พุดโทรไปเรื่อยๆค่ะมันเลยเห็นเลยค่ะว่าวันๆหนึ่งหนูมีความคิดเยอะจริงๆค่ะอาจารย์อืเยอะจนเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปแต่ว่าตั้งแต่ลงมาจากเขารอบนี้ทั้งที่อยู่อยู่สั้นมากเลยนะคะแต่กลายเป็นว่าใช้ชีวิต ยังยังโอเคอยู่ไม่รู้ว่าโอเคพอเริ่มพุโทโธเป็นหรือว่าเพึ่งลงมาจากเขาครับอ า, าจารย์แต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลให้ดูปัจจุบันดูผลนี่เกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงคําถามสุดท้ายครับอ า, าจารย์แล้วก่อนที่เราจะเลิกนั่งสมาธิก็ก็เลิกเฉยๆเลยมีวิธีอะไรให้เราไม่เสียดายที่นั่งกําลังนิ่งๆดีมั่งไหมคะอาจารย์ก็เราทําต่อไนดะ้โดยที่ไม่ต้องนั่งแล้วพุโทโธต่อไป กำลังสติต่อไปอ๋อค่ะอืได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวไปน้อมมาปติพิดเพิถที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นต้องคิดว่าพุโทโธต่อไปเลยปฏิบัติต่ออืได้ค่ะพระอาจารย์วางแผนวางแผนของเดือนเมษาที่จะไปแล้วค่ะอืมเช่าค่ะพระอาจารย์ดีอไปเท่านี้<ำ>ค่ะทําไปเรื่อยๆผลอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็อย่าไป อ่าเป็นอารมณ์ประมาณบางวันอาจจะดีบางวันอาจจะไม่ดีก็ได้บางช่วงเนี้ยจะดีเดี๋ยวสักพักเลยวันใส่สติหรืออ่าเกิดความอยากให้ได้ผมถ้ามันไม่ได้ผลก็จะเกิดการหงุดหงิดขึ้นมาก็ได้ค่ะก็จะมีสติให้มากครับอาจารย์เหมือนกันเราไปตกปลาเนี่ยมันไม่แน่บางวันก็ได้หลายตัวบางวันก็ไม่ได้เลยก็มีอืม เวลาไม่ได้ก็แค่คิดว่ามันก็เป็นปกติที่จะได้บ้างไม่ได้บ้างหรอกค่ะก็อบอกพ่ไม่ได้กรับว่าสติเราไม่เคยดีสติแล้วอ่อนต<ด>้องพ<ด>ยายามเน้นสติให้มากขึ้นค่ะแต่ฝึกสติให้มากขึ้นค่ะมันไม่ง่ายหรอกมันอาจจะได้วันวันวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะไม่ได้ก็ได้จิงค่ะตัวหลักอยู่ที่ตัวสติเนี่แหละ ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากระทบคาระอาจารย์เลยไม่กล้าบอกว่าตัวเองเก่งขึ้นเพราะยังไม่ค่อยมีอะไรกระทบค่ะต้องมอง <c oughs> การปฏิแบบัติมองแบบระยะยาว <c oughs> วันหนึ่งอาจจะดีวันหนึอาจจะไม่ดีขึ้ น, น ล, งลงเหมือนการเดินทางอขึ้นเขาลงห้วยบางวันก็ลงบางวันก็ขึ้น <c oughs> แต่ก็ไม่ <c oughs> แต่ก็ไม่หยุดไม่หยุดไม่ไม่ยุดไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เลื่มสติ ทุกครั้งให้นึกถึงสติมาเป็นตัวสําคัญที่สุดในการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะพระอาจารย์น้อมนั่งไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ค่ะอสาธุค่ะพระคุณค่ะพระคุ ณ, ค, ณคุณสาธการชายหน้าท ง, ง่ายสบายดีค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะพระอาจารย์มาฟังทำอ่าะใรเย็นนะไม่รอนน ะ, ะไม่ ไม่มีความอยากของใครเนี่ยใครก็จะพูดจนท่าอะไรก็ไม่ทุกไม่ร้อนกันไปกับเขานะเดี๋ยวนี้นิ่งขึ้นเยอะค่ะอืมโอเคนี่พยายามรักษาความนิ่งไว้นะค่ะโอเคอไรที่มากน้อยสันโดษไม่เชื่อเพิ่มม่เชื่อนะสวัสดีค่ะพี่ชยายสบายดีนะค่ะ คุณยายมา่วาสันโดดเหมือนกับนันงใช้ป่ะก็อยู่ด้วยกันนะคะครับผมอาจารย์อันนี้ใครชนใครใครเตือนใครแลผมเดินเข้าไปในห้องแล้วเตือนคุณยายครับผมแล้วยายก็เออเออออยายจำได้ค่ะก็บอกว่าก็ถึงก็วันนี้แล้วอ่าดีอยาก่านยากินยาได้อยู่ค่ะ เหมือนมากินยาเนี่ยถข้าห้องนี้เหมือนมากินยาธรรมโอสถนะใจจะได้แข็งแรงใจจะได้มีมีพลังครับเสนอมีอะไรบ้างน้อยมีอะไ ร, ะไร <c oughs> วันนี้มาส่งการบ้านพระอาจารย์ครับผมหลจาก <c oughs> ที่ไปฝึกที่วิชารับที่ฮ <c oughs> ังไายเบนานเอ่อ วิชาพิจารณาคมกระดูกครับผมอาจารย์อปรากฏว่าพิจารณาคมกระดูกตอนนี้พอพิจารณาขา้บคู่ไปกับอสุภะกรรมฐานเนี่ยแล้วไม่นานมานี้วันสองวันก่อนไปขับรถกลับบ้านครับผมพระอาจารย์แล้วเจออุบัติเหตุมอไซค์ล้มของของคนอื่นนะฮะคือเห็นขับรถผ่านแล้วเห็นมอไซค์ล้มแล้วคน สองคนที่ขับมาเป็นผู้ชายก็นอนเลือดก็เต็มอยู่เตือนพื้นถนนแล้วเราก็มานั่งนึกนะเออความตายมันก็นิดเกี่ยวจากเราแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็มานั่งนึกตอนแรกมันเนอกย้อนเข้ามาแบบว่าเออจริงๆเราก็ต้องตายแบบเขานเนี่ยแล้วเราก็บอกไม่ได้ดว่าเราจะตายแบบเขาดีกว่าเขาหรือว่าแย่กว่าเขาอันนี้ก็บอกไม่ได้อีก <c oughs> ผมมันปกติมันจะ พอคิดเรื่องพวกนี้บางทีมันมีตกใจนะพระอาจารย์แต่ว่าครั้งนี้ที่คิดมันคลายเป็นมันสงบครับผมแล้วยิ่งพอมาพิจารณาว่าเออเด็กผู้หญิงที่โรงเรียนที่เราบางทีบอกว่าสวยเดี๋ยวสุดท้ายถ้ามันตายไปมันก็มีสภาพแล้วของข้างในมันก็คือน้ำเลือดในโลหิตตังที่เราสวดทุกวันน่ะก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในที่ไหลออกมาจากหัวเหมือนกันผมก็เลยแบบตั้งแต่วันนั้นผมมองผมก็แบบ เออปล o อง long แ้วก็จะดีก็ปองไปเรื่อยๆตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าเอามาใช้ได้หรือเปล่าต้องรอเวลาเกิดกามารลมขึ้นมาก่อนดูมันจะเกิดการมารลมไหมเกิดแล้วเอาอสุภะเหล่านี้มาดับการมารลมได้หรือเปล่าครับก็ตอนวันนี้ฮะตัวอย่างวันนี้เลยคือพิจารณามาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่ ไปเห็นอุบัติเหตุอันนั้นแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ยฮะเดินมามาเลยเป็นเป็นเด็กเอ่อเป็นนักเรียนเหมือนกันแล้วก็หน้าตาสะอาดสวยเลยนะครับพรอาจารย์แต่ว่าพอหันหลังเนี่ยอยู่ๆเขาหันหลังเนี่ยพอหันหลังปรากฏว่าผมเห็นอ๊้ทาไมผิวหนังตอนแรกหน้าตอนแรกหน้ามาอ๊้หน้าสวยสดงดงามพอหันหลังปุ๊บเฮ้ยทำไมหนังมันเหี่ยวย่นอย่างมมันกลายเป็นแบบ แล้วผมก็มานั่งนึกพอพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บมันกลายเป็นว่าแบบอ๋อหรือว่านี่จะมาเตือนเราว่าเรากําลังจะถูกหลอกใบหน้าอาจจะสวยสดแต่จริงๆแล้วร่างกายคนเรานี่มันสกปรกมันเหี่ยวยน่นมันไม่น่าดูไม่น่าชมคือพอเขาหันหลังมานี่คือเห็นเป็นเหมือนบางทีเป็นตุ่มแบบตุ่มหนองตุ่มเลื่อน <laughs> ผมมองแล้วผมก็แบบตกใจว่าเฮ้ย ทะไมตอนแรกดูเออดูสวยพอเอาไปเอามาเ อ, อ้ยความจริงไม่สวยนี่หว่าแล้วยิ่งเราเอาวิชาคงกระดูกเอาจารย์เข้าช่วยเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทีมันเราก็พอเห็นไ อ, อ้ความไม่สะอาดตรงนี้เราก็เข้าลึกไปอีกว่าเออสุดท้ายมันก็เหลือแต่คงกระมันก็บอกไม่ได้ไงทั้งไก่เมื่อเช้าที่เกิดความยินดีในรูปของไก่ก็นำมานึกถึงอสุภาพของเขา <c oughs> ถ้ามันก็จะระงับป้องกันไม่ให้การมาลองเกิดขึ้นมาได้ <c oughs> อย่างนี้บวชได้นะเนี่ยยังไปบวชได้ครับอ <c oughs> าจารย์ครับวัดจานรับบวชด้วยเรารับแต่ต้องไปติดต่อกับคนที่เรับเราไม่ได้เป็นคนรับครับผมอาจารย์ น, <c oughs> นี่ฟองยา ทีละเรื่องก่อนครับอาจารย์ผมยังไม่ได้ไปขึ้นเขาเลยครับอาจารย์ออไม่ได้ขึ้นเขาหรอได้ไดเลย อ, อยากอยากลองขึ้นเขาก่อนครับผม อ, อมาจารย์ครับผมก็ขึ้นเขามันไมมันไม่แก้เรื่องของความกลัวมากกว่าความกลัวตายอาจารย์ครับผม <c ười> วันนี้วันนี้คุยกับคุณแม่คุณแม่เขาจองพอดีพรุ่งนี้มีงานที่ สยามสมาคมแล้วผมอยากไปฟังคราวนี้ผมก็เลยแบบตอนแรกไปตอนแรกจะไปกับคุณแม่แล้วคุณแม่สอนแบบเลิกตอนงานเขาเริ่มพอดีผมก็เลยแบบจะไปคนเดียวผมก็กลัวแบบเพราะผมเป็นคนแบบเงอะงะเวลาอยู่หน้างานผมก็จะแบบจะงงงไม่รู้จะทาอะไรแล้วปกติก็ไม่ค่อยได้ไปงานพวกนี้ผมก็เลยจะชวนเพื่อนไปแล้วแม่เขาก็ไอ้นี่วันนี้เหมือน พอบอกว่าจะชวนเพื่อนไปเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายของแม่แม่ก็อดไม่ได้เพราะแม่ก็เคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งเขาบอกนโมทําไมไม่มีแฟนสัทีลูกเนี่ยแม่เลยไม่รู้เลยหนูเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายจริงหรือเปล่าแล้วเนี่ยมีแฟนแม่ก็ไม่ว่านะลูกเหมือนพูดให้เราจะมีแฟนให้ได้ผมก็ <c oughs> เพราะผมไม่มีก็เนี่ยผมไม่ได้แบบปิดโอกาสใครนะนี่ผมเปิดกว้างนะเขาไม่มาเองนะแม่ยังไง ผมแล้วแม่ก็พูดอยู่นะผมไม่บอกเดี๋ยวถามพระอาจารย์สุชาตินะกันเขาบอกว่าผมเป็นพระแล้วล่ะกันได้ผมเป็นพระแต่เป็นพระแล้วไม่ได้เป็นรื่ม่เป็นเื่อผมเป็นผมเป็นนสุภาษณ์แล้วให้ผมไม่บวชไปมีการได้ยังไงแต่ไนดะ้เถอผมก็ผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับพระอาจารย์เพราะว่าผมก็ไม่ ผมไม่ใช่ว่าแบบทำหน้ารังเกียจนะฮะเวลาเวลาสตีเดินมาผมก็เฉยๆนะผม<น>ไม่ได้รังเกียจหรืออะไรเขาอะไม่มาจับไม่มาหาผมเองอออน้องเราไปจนยันตายเขาก็ไม่มาหรอกแต่ผมคือผมผมไม่ได้สนใจจะไปเข้าหาไงฮะแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจจะมาผมได้บอกถ้าอย่างนั้นถ้าวาสนาผมเป็นอย่างนั้นก็ ขอว่าไม่ต้องมีละกันเนี่ยคนที่ผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนไม่อยู่คลองตัวก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับชีวิตแม่ก็บอกไม่ได้นะมอมีพิธเธอตอนนี้ยังเด็กเลยคือคุณแม่ก็บอกเนี่ยมันจะได้ไม่เหงาเห็นไหมเนี่ยมันต้องมานั่งคอยตามเพื่อนไปงานไปอะไรไม่ต้องหรอกแล้วเพื่อนเขาก็มีแฟนของเขาเขาก็ไม่จากจะมา ครับผมอาจารย์โอเคหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดหมดหมดแล้วก็ได้ครับอาจารโอเคในคนหนึ่งเขาพูดว่าเดี๋วยสุขภาพแข็งแรงอยู่ให้คนน้อยนะค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณท่านอาจารแข็งแรงค่ะต้อไปที่โกเบคุณจุกโกเบ กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค okay. <อ>่ะโอเค น, น, นั่งเขไปต่อนะอ่ะขึ้มาถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์การปฏิบัติตามสติปัฏฐานสู่นะคะพระอาจารย์กายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายพิจารณาเวทนาแล้วจิตกับธรรมนี่คือทำยังไงหรคะพระอาจารย์ มิตก็อารมณ์ต่างๆเนีไงวันไหนเราอารมณ์คนเพราะว่าอารมณ์เบิกบานเนี่ยคือจิตเนีไงมันก็ไม่เชี่ยงมันก็แปรไปเหมือนร่างกายเหมือนเวทนาไปบังคับมันไม่ได้ก็คงให้มันเบิกบานตลอดทุกวันไป่ได้บางวันก็มันก็ซึมบางวันก็เศร้าบางวันก็เบิกบานบางวันก็สนใย ก็ต้องพิจารณาเหมือนกับพิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราก็ควบคุมมันครับไม่ได้ถ้าอยากจะให้สดใสเบิกบานตลอดเวลาเวลามันไม่เป็นก็จะทุกข์ขึ้นมาเจ้าค่ะส่วนธรรมก็คือเนี่ยธรรมก็คือการเห็นตายรักเนี่ยเราเห็นตายรักหรือเปล่าเห็นอาจารย์ทุกข์ขับหน้าตาหอ่าเจ้าค่ะ เข้าใจแล้วเจ้าค่ะโอเคนะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะต้องมองให้เห็นทุกอย่างกายพิจารณาจิตว่าเป็นตายรักนะต้องมองให้เห็นทุกอย่างเป็นตายรักอ่าหมดเลยเจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเจ้าค่ะเห็นว่าเป็นตายรักแล้วมจะได้ไม่อยากพออยากแล้วมันจะทุกข์ใช่ไหม เห็นตายรักพอหยุดความอยากเจ้าค่ะเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วจ้าค่ะตอนแรกเอ๊ะจิตกับธรรมคืออะไรก็งงหนังซื้อเจ้าค่ะเป็นละเอียดก็แค่ร่างกายผ่านร่างกายให้ได้ก่อนผันได้ทั้้ได้ก่อนเดี๋ยวจะน้อมนำเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอขอะคุณพระอาจารย์นะคะขอให้ท้าทันแข็งแรงเจ้าค่ะดูจ้า อใช้คนฝนต่อคนฝนฝนเดียวกันแล้าดฝนที่ใครเข้ามาเดียวกันใช่ท่านอาจารย์กลับมาเจศการพราจากย์อ้โหเดี๋ยวนี้พอดีวันนี้คุณพ่อป่วยค่ะก็เลยเออก็เลยก็เล่อยู่โรงพยาบาลค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอดีคุณพ่อไม่สบายมีมีไข้ค่ะมาตอนเย็นหนูก็เลยต้องรีบพามาหาหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะ แล้วทีนี้หนูก็ไม่อยากจะขาดการเข้าซูมมาค่ะพระอาจารย์แต่เราตอนนี้คุณพ่อก็นอนรอผลอยู่อะค่ะเกลีไข้สูงมากนะคะเราก็เลยรอผลเจาะเลือดนะคะพระอาจารย์อ่าแล้วหนูก็ไม่อยากจะขาดเราเหมือนก็เลยเราจะมาเรียนพระอาจารย์ว่าวันศุกร์นี้ยค่ะหนูลาอ่าลาลางานไปเรียบร้อยแล้วเจค่ะก็เลยซูมเมื่อกี้นี่มันถูกตัดไปกลับมานะได้ยินนะ อาจารย์พูดต่อคุณฝนโทษทีค่ะพอดีหนูจะหนูร่างงานไวน้วันศุกร์นี้แล้ว่เจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยววนันศุกร์นี้จะขับรถไปพัทยาจะไปฟังทําหน้ากูดอนะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ไม่อยากไม่อยากจะขาดเข้าซู ม, มาค่ะเพราะว่าพอดีรอรอผลของคุณพ่ออยู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะทําใจเฉยเฉยปล่อยวางได้แล้วว่ะเรื่องคุณพ่อแล้วก็ออโอเคคือเหมือนว่าจะเป็นอะไรก็เป็นนะแต่ว่าไม่เป็นก็ดีเลยเนาะแต่ถ้าเป็นก็ ก็ก็ก็ก็พร้อมที่จะจะรับรับเผชิญหน้าค่ะพระอาจารย์ อ, อ่าประธาให้ดีที่สุดหนากัดูแลหให้ดีดที่สุดค่ะเออจ้าหาก็ลอกหนูก็จะรู้ถึงความกระตรันยูวค่ะที่ที่แบบมนจะต้องดูแลทำไปเราต้องก็ต้องดูแลเขาค่ะพระอาจารย์ใช่เป็นหน้ า, น า, นาที่ของเรา อ่าก็คือถ้าเป็นก่อนหน้านี้หนูก็จะรู้สึกแบบหนูก็ยอมแล้วบางทีมันก็หงหุดหงิดนะคะเหมือนแบบเรารับภาระอยู่คนเดียวแต่ว่าแต่ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วค่ะก็ก็คุณพ่อไม่สบายก็คิดว่าไม่ต้องไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาหาหมอเนาะเออเดี๋ยวเป็นการรักษาอะไรเงี้ยถ้าจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไเป็นไรอะไรเงี้ยก็จะดูแลห่งางๆใจาเดี๋ยวว่าได้ทําบุญกับพ่อเราทาบุญกับป้าอาหารของเราคนอื่นจะไม่ทําก็ไม่เป็นไรเราก็ทํากับเราไป อ่ะอาจารย์ก็ขอโทษทีนะคะอยู่ในโรงงานมันเสียงมันดังนิดนึงนะคะพอดีก็คิดไม่ไม่ไม่รบกวนเลยไม่รบกวนเลยดีค่ะก็หนูก็คิดว่าขอบคุณค่ะหนูก็คิดว่าอยากจะดูแลแบบให้ให้ดีที่สุดเหมือนอาจารย์เท่าที่เขายังอยู่อ่ะค่ะอาจารย์ค่ะคับคุณ เออไม่น่าเหมือนมันตัดไปอะค่ะโอเ ค, อเคงั้นไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์งั้นหนูก็กราบเรียนพระอาจารย์แล้วเดี๋ยววันวันวันศุกร์นี้หนูจะขึ้นไปที่ ท, ที่ที่วัดยา น, นะคะพระอาจารย์จ้าจ้าได้คะ่ะกราบขอบพระพระอาจารย์มากเลยนะเจ้าคะ่ะเอยากใหขอให้พระอาจารย์ท่านขันแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอเจ้าค่ะาสาธุคระพี่แม่น้องหลิงตามแม่น้องหลิงพระอาจารย<ม>์ได้ยินหนูไหม ยินจ้าน่ยินคะ่ะพระอาจารย์ก็ปัจจุบันก็ยังคงปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะคือพอเรามีปัญหาด้านร่างกายใช่ไหมเจ้าค่ะคือทุกๆวันจะต้องเอปฏิบัติไปตลอดนะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็คือจะต้องแบบมีทานทําทานไปทุกๆวันเนี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ mm hmm. เหมือนแบบหนู ม, มีความคิดว่ามันเหมือนแบบ วิตามินบำรุงใจเจ้าค่ะทุกๆวันจะต้องมีนะคะพระอาจารย์เน่เน่เจ้าค<ด>่ะแล้วมีกิเลนอยู่เราก็ต้องทําไปเรื่อยๆแล้วกากิเลนมันจะหมดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถ้าสมมติว่าหนุออกแรงมากๆแล้วพอร่างกายไม่ไหวก็คือเข้าเหมือนไป ช, ช, ชัดชัด์จร่างกายก็คือเข้าสมาธิอะค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบเป็นเหมือนตัวเองเป็นมือถือเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องชัดแบบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ต้องมานั่ง เร่องใจก็ต้องพักผ่อนใจก็ต้องช้าเจ้าขาออ่าพระอาจารย์เจ้าค่ะร่างกายหนูก็ได้ต้องมานอนพื้นไม่นอนเตียงเจ้าขา่าพระอาจารย์ส่วนทำงานถ้าไม่ไหวคือแบบใช้พลังงานเยอะก็มานั่งสมาธิเจ้าข่าพระอาจารย์บางทีเวลากลับบ้านนั่งรถเมีก็นั่งในรถเมีไปเลยเจ้าข่าพระอาจารย์ก็เลยไม่ค่อย เข้าห้องน้ํากระทันหันบนรถมีหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะนั่งสมาธิไปอ่ะค่ะพระอาจารย์อก็เลยได้ตรงนี้ด้วยอ่ะค่ะก็เลยบอกว่าอ๋อเจ้าคะพระอาจารย์ก็เลยได้ทุกคนเจ้าขาสาธุค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยอ๋อต้องมีวิตามินบํารุงร่างกายกำลังบำรุงใจด้วยเจ้าขาพระอาจารย์หนูก็ต้องเหมือนทานทานยาใจทุกๆวันเจ้าขาพระอาจารย์ดีจ้า ไม่มีอะไรนะไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์เห็นไปที่คุณสุภัทราเท็กซัสกลาวนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ uh huh. ลูกขอร่วมฟังเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคเป็นไปที่คุณหนค่ะคุณห น, นิงหายหน้าไปหลายวันกล่าวนามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ โยมหายไปยาวเลยเจ้าค่ะตั้งแต่สังสรรค์ปีใหม่กว่าจะกลับมาก่าอนจะนึงกลับมาได้นะกิเลนลได้คุยายใช่ตองค่ะพระอาจารย์โยมก็ไปตามกระแสแบบนัดเจอเพื่อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้รียูเนียนเพื่อนสิทธิ์เก่าบ้างเอากระเช้าไปให้ผู้ใหญ่บ้างมันก็ไหลไปเรื่อยๆจากปฏิบัติวาระ ได้สองสามชั่วโมงมันลดลงแต่ว่าก็ยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะก็เหลือประมาณชั่วโมงหนึ่งบ้างชั่วโมงส่วนใหญ่จะเหลือแค่ชั่วโมงหนึ่งค่ะแล้วก็ฟังธรรมเอาเจ้าค่ะอันนี้ก็ต้องเดิงกลับมาให้เท่าเดิมไม่ได้นะเจ้าค่ะแต่ว่าจิตก็เวลานั่งก็ก็สงบดีเจ้าค่ะอืเพราะว่าพยายามจะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่คือถ้าวันไหนไม่นั่งก็จะพยายามเหมือนกับว่าไม่ขาดเกินสองวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ม, มันก็ยังคุมอยู่ใน ที่ว่ายังเวลานั่งมันก็ยังสงบแล้วยอก็ปรับนิดนึงว่าแต่ก่อนอาจจะเวลามันนั่งเนี่ยเราจะรีบๆอย่างเงี้ยค่ะอม mm hmm. รีบๆมา น, นั่งแล้วก็แบบรีบพุโทโธพุโทโธพุโทโธอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนไปกดข่มจิตมากเกินไปตอนนี้ยมก็จะมา น, นั่งนิ่งๆบางทีใช้ใช้สวดมนต์สักพักนึงให้จิตมันคลายคลายจากแบบเรื่องต่างๆแล้วพอจิตมันเรียกว่าพอมันมันคลาย ต่างๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันนั่งมันก็เบาๆเบาๆเจ้าค่ะแต่ว่า<ช>ถ้าไปแบบอยู่ๆแบบรีบรีบมาอุ้ยฉันจะต้องนั่งแบบสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงให้ได้นะชั่วโมงหนึ่งนะแล้วพอไปอัดอัอัดมันอ่ะมันจะรู้สึกว่าจิตมันจะไม่รั่วมาเจ้าค่ะใช่มันต้องอยู่ที่สตินะต้องสร้างสติขึ้นมาเจ้าค่ะมีคําถามคํำถามหนึ่งเจ้าค่ะจะอยากรบกวนพระอาจารย์อ่าเมตตาอธิบายนิดนึงค่ะยงไปฟังคีรีมานนทสูตรอะค่ะ เขาจะบอกว่านิพพานพรมกับนิพพานโลกุตละความสุขไม่ต่างกันแต่ต่างกันตรงว่านิพพานพรมมันจะยาวนานอันประมาณไม่ได้แต่ว่านิพพานแท้จะมีวันสิ้นสุดแล้วอีกข้อหนึ่งคือว่านิพพานพรมจะขาดการปล่อยวางวิญญาณแต่ว่าโลกุตละนิพพานเนี่ยจะปราศจากวิญญาณจึงไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปยม คือพอคาว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยโยมจะสับสนนะคะนิพพานพรมขาดการปล่อยวางวิญญาณอันนี้ปล่อยวางวิญญาณยังไงพระพุรเจ้าคะโยมอย่างแบบสับสนนิดนึงตรงนี้ว่าไ อ, อ, อ, อ้คําว่านิพพานพรมขาดการปล่อยวางวิญญาณวิญญาณนี่คือสิ่งที่กระทบทางอายตนะอย่างนี้หรือเปล่าคะคืความจริงมันไม่ทราบนะว่าพระสูตรเขาว่ายอย่างนั้นจริงหรเปล่า นิพพานก็คือปาจจากตัญหาความอยากปาจจากอาวิชชา ท, ที่จะส่งที่จะส่งวิญญาณไปเกิดไงการเราจะไปเกิดแล้วต้องส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้งกายของร่างกายนี่ถ้าเราตัดกิเลสได้ตัดอวิชชาได้มันก็ไม่มีตัวที่จะสั่งให้วิญญาณไปเกาะที่ร่างกายอันไหน ต, ต่อไปอะนะตอนนี้เราเราไม่ได้อยู่ในร่างกายใช่ไหม เราติดต่อกับร่างกายแบบมือถือสองเครื่องติดต่อกันด้วยอะไรเวลามือถือก็มีถือเครื่องหนึ่งกับติดต่อก็อีกเครื่องหนึ่งท้อใช้อะไรสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมเจ้าค่ะสัญญาณโทรศัพท์ของใจเรียกว่าวิญญาณใจจเชื่อมต่อกับร่างกายด้วยสัญญาณของวิญญาณเจ้าค่ะวิญญาณในขันห้นาเนี่ยวิญญาณในในใ น, ใ น, ในานมขันเนี่ยเวทนาสัญญาสัขางขารวิญญาณเนีน อ่าตอนนี้ถ้าไม่มีกิเลสแล้วมันก็จะไม่ก็จะไม่มันก็จะไม่ส่งไปเกอดที่ตาหูจมูกนิ้นกายมันก็ไม่เกิดเนาะค่ะส่วนพร้อมนี่มันยังมีกิเลสอยู่ไงสวรัยท่านพร้อมนี่ก็นั่งสมาธิเข้าฌานอสมาธินี่ไม่ไม่ได้ฆากิเลสไม่ได้ฆ่าความอยากไม่ได้ฆ า, าวิชาเพรจากสมาธิมาอาวิชาก็ปรุงแต่งให้สัง่งให้วิ ญ, ญญาณไปเกิดใหม่ เจ้าค่ะอันเองพาใจอย่างแต่ตัวที่สำคัญไม่ใช่ตัววิญญาณตัวสำคัญคือตัวกิเลส ต, ตัววิชาตัวความหลงที่ยังหลงว่าความสุขอยู่กับอยู่กับการมีการมีตาหูจมูกนิ้งกายเพื<ๆ>่อจะได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ทำความเข้าใจกว้างๆว่าคือชั้นผมมโลกก็คือยังมีกิเลสอยู่ได้มั น, ม, นมันเพียงแต่ ทุกิเลสทุกดไว้เวลาเข้าฌานเวลาเข้าสมาธิเวลาฌานเนือสติเสื่อมลงกิเลสมันก็ออกมาอวิชชาปัญญาสังขารามันก็ออกมาแต่มันก็สังขารแล้วก็ไปซี่วิญญาณวิญญาณก็ไปตาหูจมูกลิ้นกายต่อตามลาดับนครับแต่ถ้าเป็นนิพพานนี้ปัญญามันตัดมุนปัญญามันหลอกว่าอการส่งวิญญาณไปหาตาหูจมูกลิ้วกายเนี่เป็นทุกข์เพราะมันต้องเกิด เกิดแล้วมันก็ต้องแก่เจ็บได้มันก็ดแล้วไม่ส่งออกไปแล้วทระคุณเจ้าคะแล้วถ้าเกิดว่าเราก็ทราบอยู่แหละว่าตัวที่มันทำให้เกิดเนี่ยมันก็คือความอยากทีนี้ว่าถ้าเราฝึกหมายความว่าสมาธิไปอย่างนี้เจ้าคะ่ะแล้วเราพอเราจะตายจริงๆอะคะ่ะ เราก็มาพิจารณาคือเราอาจจะ ย, ยังไม่ถึงขั้นไหนแต่ว่าพอพอใกล้าตายเนี่ยเราพิจารณาแล้วเราปล่อยวางตรงนั้นอ่ะมันจะทําให้ถึงนิพพานได้ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราปล่อยได้ถึงระดับไหนเพราะการปล่อยมันเป็นตั้งแต่ร่างกายเวทนาแล้วก็จิตจะปล่อยในขณะใกล้าตายได้ทั้งหมดหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าปล่อยได้หมดก็ก็ไปนิพพานได้ ก็ต้องสร้างเหตใหุให้ให้ให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แต่จะได้ไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเจ้าค่ะเราต้องพยายามทำตอนนี้ตัดตอนที่เรายังไม่ตายตอนนี้มีเวลามากจะเวลาเวลาที่ใกล้จะตายมันอีกอย่างมันเวลาจะตายจริงๆมันอาจจะไม่มีสติที่จะมันมันนั่งพิจารณาปัญญาก็ได้มันก็มีแต่ความกลัวกลัวความเกิตายเจ้าค่ะลอมสังเกตเจ้าค่ะ ตอนนี้พยายามมาปฏิบัติตอนนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้ยังไม่ตายอย่าไปคิดว่าต้องร้ายกายตายแล้วถึงจะสามารถทำได้เจ้าค่ะจะพยายามไม่ประมาจเจ้าค่ะจะพยายามปฏิบัติต่อเ น, นื่องเจ้าค่ะกลับขอบว่าคุณเจ้าค่ะตอนนี้โยมไม่มีคำถามะา้ะเจ้าค่ะอ่าถ้าไปที่แคนซัสคุณยินดีอายหนาวอ่ยังยังหนาวอยู่ ยังไม่ได้เปิดไม่ดีขึ้นแล้วคะ่ะท่านอาจารย์อ่าดีอันนี้ฮีมาไม่ไม่ลงนะไม่ค่ะต่อเอ่ออาทิตย์นี้ค่ะตั้งแต่วันจันเป็นต้นมาค่ะอากาศเอ่อเริ่มร้อนขึ้นค่ะเหมือนสปริงกัแล้วคะ่ะอ่ก็ดี้แล้วก็ก็อย่างท่านอาจารย์ว่าค่ะเป็นนัตทาค่ะท่าน อ, อาจารย์แล้วก็ไม่เทียม อยู่กับมันไปมันมาแบบไหนก็อยู่ประมันไปยินดีตามมีตามเกิดค่ะท่านอาจารย์ชื่อเราก็ยินดีอยู่แล้วไม่นะใช่เลยใช่ค่ะท่านอาจารย์แ <laughs> ม่ตั้งให้ดีค่ะท่านอาจารย์รอขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ยินดีกับทุกอย่างสุขก็ยินดีทุกก็ยินดีแล้วก็จะ<า>ไม่ก็จะไม่ชุกทำอะไรค่ะท่านอาจารย์ก็แน่ค่ะส่วนใหญ่เราจะไม่ยินดีกับสุขเพอทุกวัาก็หน้าแบ๊หน้าเยค่ะท่าน ตั้งแต่เข้ามาในห้องเรียนการท่านอาจารย์นะคะดีขึ้นเยอะเลยการท่านอาจารย์ค่ะลูกเริ่มดีขึ้นพัฒนาขึ้นเยอะค่ะท่านอาจารย์ก็พัฒนาต่อหนึ่งเฉยได้มากเป็่นะก็สักแต่ว่ารู้ว่าค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ทําใจค่ะการท่านอาจารย์ที่อาจารย์บอกให้ทําใจให้ทําใจรักใจให้ดูใจค่ะแล้วก็ ดีขึ้นเยอคะค่ะพัฒนาขึ้นเยอะค่ะท่านอาจารย์ก็ได้ท่านอาจารย์เป็นล่มโพล่มใจให้คะ่ะแล้วก็ <Okay. S 2> เดวิดก่อนไปก็เหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์บอลชองเต้คะ่ะท่านอาจารย์โอเคบอลชองเต้กลับไปนะค่ะท่าอาจารย์ท่าแข่งแข็งลายเหมือนเดิมคะ่ะบอลชองเต้ข อ, อบค<ร><ร>ุณท่านอ่าไปที่คนลูกตาคนลูกตาใช่ไู่ที่ไหนไปเข้ามาแล้วใช่ไหมปิดไม้ยังอ่านมิวอยู่ นามัสการกับพระอาจารย์อยู่ชนบุรีค่ะเคยเข้าวัแล้วค่ะมีอะไรไหมไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะมาเข้ามาฟังธรรมค่ะโอเคงั้นไปที่คุณหมอภาสนาต่อกทมก่อนนามัสการกับพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติส่รมเสมอนะคะตอนนี้ก็ ลูกก็จะจบแล้วก็ได้งานเรียบร้อยนี่มามาอยู่ที่ ท, ท, ที่ขนาดแต่ก็ยังปฏิบัติทันออกมาจที่ข้างนอกก็ยังน้องสมาธิเรีนสงกรมรอพระอาจารย์นะอืมนี่ไม่ได้<ช>อยู่บ้านค่ะเน ม, มาม า, มารับลูกค่ะเพราะว่าจ ะ, จะจบแล้วมันก็เลยจะแบบวุ่นวาย น, นิดนึงแล้วเขายังขับรถไม่ได้อะค่ะจะปล่อยปล่อยได้ค่อยๆปล่อยไปทีะเรื่องแล้วค่ะอาจารย์ลูกชายเขขับรถได้เองแล้วค่ะ ม่ลูกกี่คนสองคนนะสองคนค่ะลูกชายก็ถามว่าแม่ถ้าเกิดตอนเนี้ยก็ถามแมก็ถามนะว่าแม่เออถ้าเป็นถ้าตอนเนี้ยเออแบบแม่ยังวางใจหรือยังว่าจะปูนอยู่เองได้พ่อก็เออโยมก็เลยบอกลูกว่าเออตอนนี้ถ้าเกิดพ่ อ, อแม่ตายก็วางใจแล้วแหละว่าลูกจะอยู่ันเองได้เพราะว่ามีอาชีพแล้วมีอะไรแล้วอะไรต่างก็ฝึกปฏิบัติด้วยนะค่ะเป็นหมองั้งกู่เลย ออคนคนโตเป็นศัลยแพทย์ค่ได้งานเลยค่ะเขามารับที่ที่ตุลาเลยแล้วก็คนที่สองเป็นหมอทว่างกุฎค่ะก็น่าจะไปชเป็นเป็นเป็นหมอทหารนะคะอาจารย์ก็มีที่ทํางานแล้วอยู่<ด>ปีหนะ้าค่ะก็วันนั้นเขาไปหาพระอาจารย์ก็เขาก็ขับรถพาคุณตาไปก็เขาก็ได้ฟังพระอาจารย์นะคะแล้วเขาก็เริ่มนั่งสมาธิีระอาจารย์อ่าดีได้ได้ครูที่ดีพ่อแม่เป็นครูที่ดี แต่พระอาจารย์เปู่ที่ดีของพ่อแม่ก็ไม่มีพรอาจารย์ไม่มีทางทําได้เลยพระอาจารย์ขอขอบคุณมากมเลยค่ะตั้งใจ<ช>ทํานะคะพระอาจารย์ปฏิบัติยังสงบร่มเย็นอยู่ตลอดนะพระอาจารย์อ่าไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะพระอาจารย์ทําต่อครับแม่ฝน ไ, ไปทีคุณเอกเชียงรายอาเภออะไรคุณเอกเชียงตุงหเปล่าเทียงของหรือแม่สาย กลาวณภาษการพระอาจารย์ครับคุณพ่อเชียงแสนพระพระอาจารย์ครับครับผมครับก็วันนี้ก็เข้ามาร่วมรับฟังแล้วมากล่าวณภาษการพระอาจารย์ครับผมแล้วไม่มีคําถามครับวันนี้หายหนาวยังหนาวอยู่ก็ก็ยังเย็นเย็นอยู่เย็นเย็นอยู่ครับพระอาจารย์แต่ว่าอืนี้เห็นมีประมาณวิวิหน้านี้น่าจะเย็นอยู่ครับสัปดาห์หน้าอ ก็ยังสบายๆอยู่ครับอาจารย์ครับโอเคก็แต่ผมก็มีมีผลการปฏิบัติมามาเรียนพระอาจารย์น <enfin ne mouth twice> ิดหนึ่งครับอ่าว่ามาครับผมตอนเช้าก็นั่งสมาธิผมผมจะตื่นประมาณตีสามครึ่งครแต่ตอนเช้านี่ตื่นก่อนตื่นก่อนประมาณห้านาทีครับพระอาจารย์ก็นั่งสมาธิไปก็เกิดเวทนาขึ้นมาครับพระอาจารย์ประมาณประมาณชั่วโมงที่สองครับ ก็ก็อยู่กับเวทนาได้ครับอาจารย์ครับเขปวดเขาฝล่นเขาไปนะครับอาจารย์อ่าก็ดีก็วางเฉยได้นะครับในใจมันม okay? mm ัน hmm. ก sure. okay? yeah. uh ็ก็คิดว่าเอ๊ะมีเวทนานก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ทําให้ง่วงนะมันตื่นตลอดนอนปวดครับออืปวดก็ครับผมก็ใช้สติพิจานาเอยใช้ปัญญาพิจารณาไปอืหลังที่พระอาจารย์ได้ได้สอนไว้ครับ มันเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ไดก้ก็อยู่กับมันไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับเ<ด>มื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ตอนที่เจอเวทนาก็อยากยันให้มันหายแต่ตอนนี้เจอแล้วแบบว่าอยู่กับไปนานๆเถอะเพราะว่าจะได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เป็นเพื่อนกตางคนทางอยู่ ต, าตา่างเพื่อนกันดีดกว่าไม่ต้องมาเป็นศัตรูกันถ้าผมถ้าผมใช่ครับว่าเออก็ดีนะแบบเอออยู่ด้วยกันไปก็ เขาก็อยู่เขาเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็มันมันเหมือนกับมันเหมือนดวงตาที่ที่ดวงตาเทพมันเป็นความจริงนะฮะมีเรามีสามคนเนี่ยเรารใจผู้รู้เวตนาความรูษษษ้สึกแล้วก็ร่างกายมันก็อยู่แต่เรามักจะมักจะไม่ค่อยอยากจะให้มันอ อ, อยู่ตามธรรมชาติของมันเรารบ้างจะเข้าไปควบคุมมันครับครับใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าเราอยาก ถ้าผมอยากมันมันก็รู้สึกทุกข์มาเลยนะครับเหมือนทุกข์สองชั้นนะครับอาจารย์เมื่อาจารย์บอกอนนี้ทุกข์ในระยะสั้นครับผมก็บางทีบางทีบางบางวันเนี้ยผมมันมันปวดนะปวดไหล่ปวดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อืบางทีบางทีผมนวดนวดไปแล้วผมก็ถามตัวเองครับอาจารย์ผมก็ถามเฮ้ยไหล่นี่มึงเจ็บเหรอมึงเจ็บเจ็บทำไมมึเจ็บอะไรใจเจ็บหรือว่าไหล่เจ็บเงี้ย มันมันเบาเลยครับอาจารย์แบบว่าอมันเคยเจ็บดึกอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับเจ็บเอาไปเบาไปเลยครับอาจารย์แบบว่าไม่ถึงกับมากครับร่างกายเจ็บแต่ร่างกายไม่เดือดร้อนใจไม่เจ็บเป็นเดือดร้อนแทนร่างกายทำไงถ้าห่มถ้าห่มก็เลยเลยถ้าห่มก็รู้สึกว่าเฉยๆกับกับเขาได้ได้มากครับอาจารย์ครับอืถ้าห่ม ทำอะไรได้ก็ทําไปมันเทามันได้ก็บันเทาไปมันเท า, เทาไม่ได้ก็อยู่มั น, น, นไปครับผมครับก็ขอบอกคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้สั่งสอนนะครับพระอาจารย์ครับายินดีครับผมสาธุครับขอให้ท่นานทหานอาจารย์แข็งแรงครับาสาธุครับคุณซันนี่แบงค์ครับกันนมาสร ก, การค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามค่ะอยู่นั่นไปนาลที่ว่าตอน คุณเดชยาคุณอุษาสวัมดีคพะอามีอะไรไหมอ๋อพระอาจารย์เขาเดือนมีนานเดี๋ยวจะไปไปปีเวิเว่ะค่ ะ, ะจะไปสร้างรันเวย์ให้ยาวๆหน่อยค่ะพระอาจารย์อ่านี่ค่ะไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์อืมใมีเวลาฝึกสติเยอะๆค่ะ มรามีสติแล้วเดียวมันกนั่งก็สงบค่ะน้าคุณแม่มีอะไรไหมโยมนิดเดียวค่ะจันคือโยมสงสัยว่าจริงๆแล้วจิตเราเนี่ยค่ะมันไม่มีช่วงวัยเหมือนกายใช่ไหมคะจาย์ไม่มีมันไม่มีมันเป็นเป็นเป็นตัวรู้ผูดรู้มันไม่มันรู้เฉยเฉมันไม่มีมันไม่มันไม่มีอาไรอยู่โอเ มันรู้กับมันคิดนะี่ยมันมีความสามารถอยู่ตรงเนี้แต่มันเป็นเหมือนความว่างความว่างมีมีเวลามีนับนับอายุมันได้ไหมความว่างรอบรอบรอบในบ้านเราเนี้ยความว่างระหว่างตัวเรากับลูกสาวเนี้ยเป็นเป็นอะไรอะแังว่ามันไม่มีก็ไม่ได้ใช่มันมีอยู่ใช่ไหมย ม, ยมแอ บ, บสงสัยนิดหน่อยคะ่ะแค่นี้เองค่ะอาจารย์ อ, อย่างอื่นไม่มีคะ่ะพยายามปฏิบัติจูคะ่ะ ยังรักษาความประสบการณ์ที่ได้จากเขาที่เขาที่แลวว้วอะค่ะรู้สึกว่ามันดีค่ะอาจารย์ให้เราให้เราดูที่จิตเราอย่างเดียวว่ามันสงบไม่สงบมันนิ่งหรือไม่นิ่งก็พอยังเห็นไม่สำคัญตอนนี้ก็คือดูว่ามันนิ่งกว่าเดิมเยอะนะคะอาจารย์แต่ก็มันมีบททดสอบเข้ามาเรื่อยๆ แต่คำพูดของอาจารย์จะขึ้นมาในสมองเสมอว่าให้ทุกอย่างเป็นใจรักอย่าไปนสนใจมันมันไม่มีประโยชน์ยมจะยินคำนี้ตลอดค่ะอาจารย์จะนำมาใช้ตลอดค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะสาธุแอ่ากุณหน่ยชายานิด <c oughs> หายไปหรือบปล่าเนี่ย re. ถามนมัสการพรอาจารย์เจ้าค่ะหายไปอันสัปดาห์หนึ่งเจ้าค่ะเป็นโควิดเจ้าค่ะเนี่ยคั้งานกเลหลายครั้งนะครั้งแรกเจ้าค่ะอ่าขั้นเนื้อขั้นตัวอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่เจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็เลยตรวจไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ขึ้นเจ้าค่ะอืก็เลยตรวจโควิดแดงแดงมากเลยเจ้าค่ะขึ้นเลยครับก็แสบคอเนี่ยโควิดเนี่แสบแสบคอมากเลยเจ้าค่ะอาจารย์แต่วันสองวันแรกเนี่ยก็กิน ยาอาการของไข้หวัดใหญ่เจ้าค่ะก็ไม่คิดว่าก็คิดว่าก็คงจะหายแล้วทีนี้อ่าต้นน้ําอะค่ะที่ไหนทําโทษอยู่เขาไหนก็เลยถามต้นน้ําต้นน้ําบอกว่าต้นน้ํากินฟ้าทลายโจรนแล้วไห น, นก็เลยกินฟ้าทลายโจนหายเจ้าค่ะเป็นยาเม็ดยหรือว่าเป็นยาเป็นแคปซูลเจ้าค่ะคปลาป้าทลายโจนเข้มข้นเจ้ค่ะแต่ว่าอ่า เหมือนกับว่าเพศสัชแนะนําบอกว่าห้ามกินเกินสามหรือสี่วันนี่ละจะค่ะให้นะให้หยุดเพราะว่าเดี๋ยวมันมันมีผลต่อตับต่อไตอนะไรก็ก็กงงๆเหมือนกันนะว่าเออทาไมฟ้าทลายจมมันมันมีผลต่อโควิดแต่จิ่งมันก็ลดลงไปเยอะมากเลยเจ้าค่ะอาการแสบคอเนี่ย น, นี่อาการไข้ทั้งเนีอย่าง อ, อาการทุกอย่างเลยเจ้าค่ะขั้นเนื้อขั้นตัวทุกอย่างที่แบบหายก็กินอ่าฟ้าทะลายจมกับ น้ำยาลดแก้ไอแล้วก็ลดน้ำมูก อ, อีกตัวหนึ่งเป็นน่าจะเป็นลดน้ำมูกอะค่ะเจ้าค่ะอ๋ อ, อแก้ภูมิแพ้แก้อากาศเนี่ยจ้ะค่ะยาแก้ภูมิแพ้ใช่จะ ก, ก็อาการก็ถ้าถามว่าเป็นเยอะไหมหน่อยเป็นสองสัปดาห์เจ้าค่ะถึงหายอแต่ถ้าเป็นเด็กตรวจไม่เจอเลยจ้ะค่ะอย่างติดมาจากแพนเ ค, ค้กที่ไปโรงเรียนแพนเ ค, ค้กสามวันตรวจไม่เจอแล้วค่ะ ให้ตรวจสองรอบก็ไม่เจอแต่อาการนี้ไหนว่าน่าจะเป็นกับผู้ใหญ่แล้วก็คนอายุเยอะๆน่าจะเป็นอาการนะเดกเขาไม่พูมผมผมทานทานเยอะใช่สองค่ะแล้วนี่ก็พอมเหมือนกับมันมันยังมีซ่าเกี่ยวสักค่ะรู้สึว่าเหมือนอากาศเย็นนิดนึงก็ไอเจ้าค่ะก็ยังแบบแล้วทีนี้เรื้อยความที่ตอนแรกไหนก็อยากเจอบททดสอบแบบนี้นะสักคะพอเจอ สองสวันแรกก็ได้อยู่นะจ๊ะค่ะอพอวันที่สี่มาโอ้อยากหายแล้วเนาะค่ะ <laughs> คืออยากจะกินแบบว่าคือเป็นคนชอบกินขนมหวานที่มันกะทิของมันของทอดอะไรอย่างเงี้ยจ๊ะค่ะก็ อ, อยากจะกินอะไรที่แบบว่าเราเคยกินนะเนาะมันก็กินไม่ได้จ๊ะค่ะมันกินไม่ได้มัน ม, มันไม่มีรสชาติอนะไรเลยคือมีรสชาติจ๊ะค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่อยากหายเร็ว ก็ต้องงดของพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มเสรเจพวกอ่าเสมหะอะไรเงี้ยจะทำให้เรายิ่งไอมากกว่าเดิมเจ้าค่ ะ, ะก็เลยกินแต่น้ำร้อนกับน้ำขิงเจ้าค่ะ <laughs> กิ น, น้นแค่นั้นก็แต่ก็ไม่กลัวตายแต่ก็ก็อยากหายไหนก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะ <laughs> อ่าพระอาจารย์เจ้าพอเจอบททดสอบอย่างเงี้ยไหนผ่านไม่ได้ไหนต้องทำยังไงต่อไปเจ้าคะไหนขอคำแนะนําหน่อยเจ้าคะเวลาอยากก็พุโทโธพุธโทโธทําใจให้สงบไปสู้ความอยากอย่าไปทําตามความอยากอืจากหายก็พุทโธไปเลยใช่ไหมเจ้าคะไม่ต้องคิดใช่ไหมไม่นำคิดไม่นำคิดพุทโธไปนั่งสมาธิไปพอามันนิ่งแล้วมันก็นไม่มีความอยากที่จะหายพอ อ่าเหมือนกับตอนนั้นก็พยายามนะเจ้าค่ะว่าเอยนั่งสมาธิเฮ้ยเจอบททดสอบเราต้องผ่านแ น, น่ๆพอมาเจอของจริงปุ๊บอ่าเหมือนนั่งสมาธิมันก็เจ็บขางก็ปวดก็รู้นะเจ้าค่ะแต่ก็ผ่านไปได้่ะก็คิดว่าเออก็ผ่านไปได้พอมาป่วยจริงๆนะเจ้าค่ะมันไม่มันเหมือนเจอสถานการณ์จริงมันไม่เหมือนกั น, นเจ้าค่ะใช่ของจริงมันรุนแรงมากทำให้รู้สึกว่าอื เหมือนปฏิบัติไม่พอเจ้าค่ะหมายถึงว่านันจะก็ดีมันจะได้เป็นการเตือนใจนะว่าเราต้องพยายามปฏิบัติให้มากกว่านี้อย่ า, <ร> า, าจะเจอหนักกว่านี้ก็ได้ต่อไปสําคัญคือกลัวตัวเองลืมนี่แหละเะ้าคะว่าตัวเองป่วยแล้วแบบเพราะว่าไม่เคยป่วยมานานแล้วอาการแบบนี้คือแบบไม่เคยเป็นมาตั้งแต่มีโควิดสี่ห้าปีไหนะไม่เคยเป็นหวัดเลยเจาา้าค่ะอืม ก็ฉีดวัคซีนก็ตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนอ่าไข้หวัดใหญ่ก็เลยอาการไม่ค่อยรุนแรงแต่ว่าพอมาเจอโควิดก็หนักพอสมควรเจ้าค่ะเขาพุดโธใช่ไหมเจ้าค่ะที่ให้ประชาชนอ่าพุดโธนี่ก็ช่วยทําให้ใจเน่นได้นะพุดโธพุดโธรไปพุดโธอย่างเดียวเลยใช่มจ๊ะหรื <c oughs> พิจารณาวัคซีนอ่าสิ่งที่เราอยากเบรรทุ ก, อ ย, กอย่าไปอยากนี่มาใช่ค่ะ อืาทิตย์นี้ก็มีรายงานประมาณนี้จะค่ะโอเคจะดูนะอายที่เป็หมอสุทธัศนีอยู่บัทุมดานีเป็นยังไงหมอนามัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะสบายดีเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์อืมเป็นโควิดหรือยังเป็นรอบหนึ่งแล้วเจ้าค่ะอโอเคผ่านมาอย่างสบายไม่เดือดร้นอน ได้ปฏิบัติธรรมทุกวันเลยเจ้าค่ะประมาณเก้าแปดเก้าวันคือสิ้นแปดด้วยเจ้าค่ะอ่าดีไม่มีอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคอครับทํนะาที่นัดนราธิว่าอีกครั้งหนึ่งคุณมาิกาอริก า, กาเชิญจากนมันตะเก็นเจ้าค่ะท่าอาจารย์อืม มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ยังน้อมนำคําสอนของพระอาจารย์มามมปฏิบัติอยู่เจ้าตอนนี้ก็มาเข้าพ่ออยู่บ้านน้องสาว่าหญิงกับพ่อสนน้องสวาวคนนั้นก็พอดีหลานถูกรถชนแอ๊ตกรถค่ะก็ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อยก็ทางนั้ว่าเราก็ว่าเออมันความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราต้องต้อต้องประมาท อย่างประมาณ<า>เจ้าค่ะอาจารย์สิ่งเหล่านี้ทําให้ลูกมีกําลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นนี่คือเป็นเป็นหนทางที่บอกว่าเออหน้าหนทางนี้ทําให้เราต้องเข้มแข็งต้องอดทนและขันความอุปสรรคและได้น้อมนาคําสอนของท่านพระอาจารย์มาปฏิบัติดีประจำเจ้าค่ะทุกมันเกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลาเหตุการณ์ตา่างๆ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจาย์ก็เหมือนสองวันที่ผ่านมาเนี่พ่อท้องเสียพอพ่อท้องเสียปั๊บแล้วก็พยายามแล้วเพราพ่ออายุแปดสิบแปดปีแล้วก็พยายามที่จะต้องดูแลพ่อไปอย่างดีก็ก็ทําได้เท่าที่ทำได้แล้วเพราะว่าเราก็บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยท่านได้นะาะพระอาจารย์เนาะก็ทีนี้ก็ต้องได้แต่ว่าได้มองแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าค่ะพรอาจารย์ ก็อยู่ใกล้ให้กำลังใจบางทีเพียงแต่เห็นเราเขาอาจจะมีความสบายใจขึ้นนะโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรจ้าขาสาธุเป็ไไนะไปที่คุณกอฟ์ฟกอฟฟี่อยู่ที่สุราษธานีอกธรรมศาตร์คระอาจารย์อับตย็นไหมครับไม่เย็ยนจ้ะเคยข้ามไปสมุยล้วงรเปล่า ไปไปบ้างครับอาจาน <Yeah. S 2> มีญาติเขาอยู่ที่นั่นอืมเกาะสมุยต้องเดินเดินทางกับบริษัทเปือ mm ับ hmm. ต้องนั่งเฟอรี่ใช่ไปบริษัทั้นเคยมาเป็นลูกค้าเคยมาทำงานด้วยครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวนี้เห็นเขาจะทำทางเชื่อมแต่ว่าไม่ไม่รู้ยังไงครับท่า น, นเนอะครับใช่ยายปีหลายปี เ พ, เพื่อนไปทําธุรกิจที่นั่นก็รายได้ดีครับอืมกำลังลุงเรืองเนี่ยเป็นจุดที่นัทาท่องเที่ยวชอบมากอยู่เป็นเดืนเดือนนะครับอืมก <ขอ S 1> ็ดีดีครับอืมที่ที่ร้านที่ร้านตอนนี้ก็ลูกค้าก็ก็ดีครับลูกค้าเยอะขึ้นจากที่เมื่อก่อนผมอยู่กับพี่จารย์ผมอยู่ตรงนู้นแล้วก็ย้ายมาตอนนี้ลูกค้าก็คือเดือนหนึ่งเขาก็รอ ง, งานนะครับถ้า แล้วก็มาจากที่ก็ปีนี้เพิ่งครบรอบวันเกิดเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ก็ก็เหมือนทุกวันก็คือได้เวลาไปทำบุญบ้างแล้วก็ก็คือตรงดี้ก็ทำทุกวันแล้วครับอือันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอดีช่วงนี้พี่พระอาจารย์บอกว่าไม่ให้ลงเครื่องใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็ ขันตัวมารับรับงานหนังสือแล้วก็ทำหนังสือกระรงพิมพ์ครับก็ด okay. ได้ลูกคา้าเยอะอยู่แล้วก็เหมือนให้พี่ลาแนะนําช่วยประหยัดเงินไปได้กับมือ น, นะครับ okay. อืม ก, ก็รู้สึกว่าจําัดก็รู้สึกว่าดีครับอาจารย์มีอะไรจะชี้แนะไหมยังควบ ค, คุมการบริโภคอาหารเยอะไหมไม่ยาวครับไม่ได้ทำพ้องานเยอะครับคิดว่าจะกลับไปทำครับ โ <Okay. S 2> อเคข่าน้ําหนักเกินน้องกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสิษย์จะไปพิจารณาแล้วก็เอาไปปฏิบัติครับท่านท่านอาจารย์พุทธทาท่านจ ะ, ธธนจะลองวันเกิดยังไงรู้ปะอยู่สราษฎร์อยู่ใกล้แง่ครับท่านไม่กินข้าวในข่าวท่านไม่กินข้าววันเกิดท่านนะครับท่านอนอาหารครับคือ มก็กินท่านอดอาหารแต่ท่านกินชีดเพราะว่าเหมือนท่านต้องทำงานหนักทาหนังสือนะครับเมื่อก่อนทำหนังสือทาหนังสือเก่งมากมใช้กลิ่นดีใช้กลิ่นดีสมัยก่อนพร ะ, พะปฏิบดกไม่ได้แบบว่าไม่ได้ถูกเรียกเรียงเงยครับท่านก็ไปสอดมาแล้วก็นั่งทําหนังสือนะครับ<ม>รู้สึกว่ายากมากแล้วก็มีหนังสือของท่านทบานอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้แปล<ม>อยู่ไกลบ้าน ก็เดี denk, ๋ยวจะลองอรหานดูครับเดี๋ยวจะลองอรหันดูครับสักวันหนึงวันอัไนสะดูครับะอาจารย์โอเคนะฟางนังครับขอบคุณครับอ่าคุณฟางว่าอะไรทีนาชากับนมัสการค่ะพระอาจารย์ไม่ ยังไม่มีคําถามค่ะโอเคเป็นไปได้กนอนันต์เจ้าคุณอนันต์แบบรมสการครับอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามเหมือนกันกับอาจารย์อปล่อยวางได้แล้วนะปล่อยวางทุกอย่างได้นะได้อาจารย์ฝึกไว้ตลอดเลยค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนเวลาเรามีสติ ไม่ไม่ว่ามันเหมือนจะรู้ท่านทันทีเวลาอารมณ์เหมือนใครจะทําให้เราโกรธมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ขึ้นภาษาตรงนี้เราจะเราก็จะเห็นมันชัดอยู่อันนี้ก็รู้สึกว่าต้องพอเรามีสติมันก็จะช่วยตรงนี้ได้ดีมากอืมได้คช่เนี๊ยพยายามรักษาสติไว้ให้ดีเขาไม่ได้เขาละว่างวันไม่มีอะไรต้องคิดก็มาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอางทีรู้สึกว่าถ้าเรา สติแข็งแรงดีไม่ต้องใช้พุทโธก็จะเห็นลมหายใจชัดอยู่ทีเดียวอืรู้สึกว่าอย่างนั้นไม่รู้ถกหรือป่าว่าอาจารย์อ่ะแต่ว่าเหมือนเราก็จะเห็นว่าเออเราเห็นลมหายใจเราเลยหายใจเข้าออกเนี้ยตามมันอยู่ด้านนี้ค่ะอาจารย์อืันดีโอเคไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวติดใจไว้จะได้ไม่ไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้กับคนนี้คก็ใช่ค่ะอาจารย์พอเห็นเรื่องอะไรก็โอเคอ่ะไม่เป็นไรเขาทาไปเถอะเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจริงค่ะอาจารย์ อนัตตา <S <S อนัตตาก็ <S 2> <S 2> า เ, าเป็นอนัตตาใช่ค่ะทำนี้นดีมากค่ะระอาจารย์ก็ปฏิบัติแล้วก็ในระหว่างวันก็ให้มีสติอยู่เสมออย่างที่พระอาจารย์สอนค่ะอ่าดีหาดขอให้พระทาทอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะอ่าหาดูสกลอภิเศษสกลตครนรามนวมสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์อืมีอะไรไหม มีนิดหนึ่งครับอาจารย์วันนี้ครับอ่า อ, อ่คนคนส่วนใหญ่เนี่ยความอยากมันผลักดันให้ทำไปนะครับอาจารย์แต่ว่าเราจะทำได้ก็ต้องมีสติใช่ไหมครับอาจารย์ที่จะไม่ให้ที่จะหยุดความอยากตัวนี้ครับอาจารย์ใมันต้งมีทั้งสติ ด, ด้วย้วก็อยู่ถ้ามีสติมันก็หยุดได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวถ้าจะหยุดอย่างถาวรก็ต้องมีปัญญา เห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแต่เราเม่อจะเห็นว่ามันเป็นสุขเราอยากได้กันใช่ไหมครับไม่เห็นไม่ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ใช่มครัอาจารย์ไม่เห็นทุกมันเรียกว่าวิชาการไม่เห็นทั้งทุกสิ่งท้กอย่างเป็นทุกข์ก็คือวิชาเมื่อไม่เห็นว่ามันทุกข์ก็คิดว่าเห็นว่าเป็นสุขมองว่าเป็นสุขก็อยากได้ขึ้นมาใช่ไหมอืมแต่มัน แต่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมพิจรณาในสคนที่จะสามารถที่จะพิจารณาตรงนี้พอจะพิจารณาตรงนี้เห็นแบบเห็นแล้วสามารถที่จะละวางเว้นไว้จากการทำที่เป็นฟืนเป็นไฟนั้นได้นี่มันควรจะฝึกสติอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ อ็มันไม่มีระดับหรอกมันหยุดได้ก็หยุดหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าสติไม่พอก็แล้วกันครับลบกันพระอาจารย์แค่นี้ครับกลาบขอบคุณครับโอเคชาติไปที่กุเนเจารย์กุเนเง่งอยูวัดเทวะค่าพระอาจารย์อยู่แถวไหนอะแถววัดเทวะมีงถามอ้วนใหญ่ค่ะพระอาจารย์นี่ ามไปไกลวันนี้เองนะไม่ไกลคับอาจารย์ก็คิดว่ามันสุกนี่ก็คงไปแล้วก็จะมีอเพื่อนฝรั่งไปด้วยเพราะเขาอยากไปค่ะพระอาจารย์ประสบสัมคุไปด้วยครับอาจารย์อย่างขัวใหญ่นี่ก็ไม่ต้องออกสุภุมวิทย์ใช่ไหมมีถนนเชื่อมมาทางท่านเน็งได้เลยใช่้หมท่พระอาจารย์แต่เขาไม่ได้ออกสุภุมวิทค่ะอืมกทางซักเนว็งขาอาจารย์อืม พรตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์อืก็ฝึกสติให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะนั่งสมาธิได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นกับพระอาจารย์อืค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็ พ, พยายามพิจารณาไปแล้วก็อยู่กับเอ่อคนที่บ้านไปอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้มองเห็นโอ้อะไรหลายอย่างมากเลยอืมว่า มันก็มีอยู่แค่นี้นะครับพระอาจารย์ก็เป็นของข้ออย่างนี้แหละเขาก็เป็นของข้ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋ออันนั้นก็คือถ้าเราไปถึงขนาดนั้นเราก็คงจะจ ะ, จะเป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ก็ไม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากพยายามที่จะฝึกสติให้มากยิ่งขึ้นครับพระอาจารย์ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเบามากยิ่งขึ้นก็ไม่อะไรแล้วก็ไม่อะไรครับพระอาจารย์ เฉยๆใช่เฉยๆไว้ใช่เฉยๆอืมค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็จะปฏิบัติให้มากยิ้งขึ้นค่ะพระอาจารย์เอ่สาธุจ้าขอบพรอาจารย์เดี๋ยววันศุกร์ก็จะไปค่ะพาเพื่อนๆไปด้วยค่ะทำไมที่คุณตายต่อพัทยามันเงินนาเกลือน้อมกราบนรัศการค่ะพระอาจารย์ก็ก็ยังปฏิบัติ ก็ฝึกจิตใจอ่ะคะพระอาจารย์ก็ยังขายของเหมือนเดิมแล้วก็เวลาก็ไม่ค่อยมีฝึกให้มีสติตลอดแล้วก็รู้ทันอารมณ์ของตัวเองนะคะพระอาจารย์อตก็ได้ผลดีไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างทันบั่งไม่ทันบั่งค่ะพระอาจารย์เบรกทันก็โอเคเราชนะมันมถ้าเบรกไม่ทันก็หลุดไปนิดนึงแต่ก็ดึงกลับมาอยู่อย่างงี้ค่ะพระอาจารย์ ยังร่วมรู้คบขันอยู่นะใช่ค่ะอาจารย์แต่ก็ยังดีที่มีคำสอนของพระอาจารย์แบบให้เราได้ฝึกสติฝึกตัวเองไปแม้เราจะไม่ได้ไปวัดหรือว่าอยู่ห่างไกลเหมือนพระอาจารย์ว่าเราก็หาเวลาฟังธรรมจากเอ่อของยูทุบของพระอาจารย์นะคะก็เอามาเปิดฟังกลางวันมันอาจจะฟังฟังไม่ได้เพราะว่า มันต้องลุกไปตรงนั้นตรงนี้มันมันไม่ไม่ได้ถ้ตอนเย็นก็มาฟังก่อนนอนแล้วก็นั่งสมาธิบ้างถ้าไม่เหนื่อยมากก็นั่งสมาธิก็ปฏิบัติไปตามนั้นคะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวถ้าพันธะนี้มีโอกาสยมจะเข้าไปกลา่าวครับพราไม่ได้ไปหาพระอาจารย์หลายพระแล้วค่ะ <Okay. S 2> พระอาจารย์แล้ว่สะดวกกแ้กันมาได้กม็มาไม่ได้ก็ ใช่ค่ะยังไม่มีคนแทนเลยค่ะพระอาจารย์พยายามฝึกให้ลูกน้องขึ้นมาอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรโยมก็ทําได้อยู่ก็พยายามทําไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ก็ค่อยไปหาพระอาจารย์การทําบุญ น, นําทานโยมก็หยอดกระปุกไว้เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็ตั้งใจทําเหมือนเดิมค่ะดีอนุโนาสาธุสาธุค่ ะ, าาคะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะไปที่คุณณัฐา คุณนันอยู่ที่ไหนคุณนันอ่าใช่คุณนันทำน้ำมาสการพระอาจารย์ค่ะอยู่ชนบุรีค่ะพระอาจารย์เันมีอะไรไหมเข้ามากลับนำ้ำมาสการพระอาจารย์ค่ะก็มไม่มีคําถามค่ะก็ยังปฏิบัติทุกวันค่ะตอนเช้าตื่นมาก็จะอ่านธรรมะของพระอาจารย์เติมกําลังใจก่อนเลยค่ะ<ม>แล้วก็จะนั่งทําสมาธิพยายามทําทุกเช้าค่ะพระอาจารย์ได้ผลดีไหม ก็ดีขึ้นเรื่อยๆคือเมื่อก่อนตอนช่วงที่เริ่มทําแรกๆยังจับจุดไม่ถูกจะมีความรู้สึกเหมือนมันอึดอัดหาแบบหาหลักตัวเองไม่เจอค่ะแต่ช่วงหลังก็คือมันมาเริ่มต้นที่พุทโธก่อนนะคะพุทโธ<ม>ถ้าจิตสงบก็จะดูลมหายใจอะคะ่ะอาจารย์ก็จะสลับสลับไปเรื่อยบางทีมันกลับมาฟุ้งก็จะกลับมาพุทธโทบางทีนคะคะอาจารย์ แล้วก็จะพยายามจเจริญสติระหว่างวันพยายามที่จะพุดโธ ร, ระหว่างวันแต่แต่พอมีเรื่องงานปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะมันจะหลุดไปอะค่ะค่ะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรพอมันเรารู้แล้วเดิมมันกลับมาใหม่ก็แล้วกันพยายามตั้งสติเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็พยายามแบบเวลามีแบบตัดสินใจอะไรก็จะพยายามนึกถึงแบบเอาธรรมะเข้ามาตัดสินว่าจะไปเวลาจะต้องมี การตัดสินใจอะไรในการในการทำงานเียค่ะอาจารย์โอเคไปปฏิบัติตาอไปนะค่ะพระอาจารย์ค่ะกับขอบพระคุณพอาจารย์ค่ะไปที่คุณแนนอุดรธานีอย่างน้ไแม่สะแกค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะโอเคไปที่ m ม r y l a n ย u เอเคุณจิ๊บทำงานอยู่แล้ว เจ้านาก็ไม่ดูแล้วเจ้านายก็ไม่ดูแลกำลังดูส่นอยู่เงยแล้ก็ไม่ไม่ค่ะพอดีโยมนั่งข้างหน้าค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ได้เดินแบบมามานั่งมองเงี้ยค่ะโยมก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นถ้าเกิดเขามาถามบอโยมเป็นวันนี้เป็นบุญที่เสื่อมเดยบอกว่าทุกวันพุธคือวันวันของโยมเป็นโบกีอบอกว่าที่ห้ามแบบเขาเรียกอะไรนะคะห้ามห้ามแบบว่าละเมิด ทางเพศทางาศาสนาทางอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าเป็นกฎของการทํางานว่าไม่มีเลือกเพศเลือกาศาสนาเลือกวัยเลือกอายุอะไรเงี้ยค่ะอโยมก็เลยแบบว่าโอเคให้โยมอันนี้มันเป็นไ <laughs> มล์ลีเจนเป็นศาสนาของเราห้ามผูห้ามห้ามติดปิงมันไม่ใช่ศาสนาหรอกมันเป็นวิชาเรียนจิตตะถ้ามันเป็นเลสเซนของโยมมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเปิดไซคลาร์จีเราเรียนไซคลาร์ ใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าค่ะแต่ว่า<ม>เขาว่าตอนช่วงคือบริษัทยมเขาเป็นบริษัทภาษีอะค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่ยุง่งแต่ถ้าเริ่มเดือนหน้าเนี้ยค่ะจะเริ่มยุ่งแล้วก็ก็ถ้าเกิดโยมเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ถ้าไม่ได้เข้าก็แปลว่ามันคงยุ่งอะไรเงี้ยแต่พยายามจะเข้าค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่าช่วงนี้ก็ก็พยายามนั่งนั่งจิตให้สงบอะค่ะบางทีก็นั่งได้บ้างนั่งไม่ได้บ้างก็ ก็บงทีก็มีวอกแวกเหมือนกันค่ะอารมณ์ค้างมาจากลูกบางทีก็แบบเริ่มแบบ่ามีอางทีเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าทุกวันเรานิ่งเย็นแบบไม่มีกระเพื่อมทางอารมณ์ก็ถือว่าเรามีสติใช่ไหมคะพระอาจารย์อค่ะก็ก็พยายามปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ก็ช่วงก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าอาทิตย์เดือนหน้าค่ะไปปลายเดือนยมวางแผนว่าจะไปวัดที่ในแองกาลา น้ำตกแองกาลาค่ะว่าจะ<ม>ไป น, นั่งสมาธิกับพวกวัดไทยวอยู่เช่นนั้นใช่ใช่ค่ะชื่อวัดโปรดเกตค่ะอาจารย์อยู่ตรงอยู่ห่างจากน้ําตกในแองกะลาแต่เขาอยู่ฝั่งนิวยอร์กนะคะเขาอยู่ห่างจากน้ําตกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะพระอาจารย์ ม, มีที่พักให้ปฏิบัติได้มีที่พักค่ะพอาจารย์ผมก็เลยอพอดีก็พอดีพี่คนหนึ่งเขาไปเมืองไทยก็เลยฝาก เอาชุดขาวกลับมาด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันหนาวมากเลยครัอาจารย์ก <laughs> ็เลยกล่าวว่าโอเคถ้าใส่ไม่ได้ก็คงต้องเป็นแบบเสื้อวอร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็เลยบอกเออถึงใส่ชุดอะไรแต่ถ้าใจเราไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่บริสุทธิ์หรอกอะไรอืก็เลยจะพยายเปน็นเครื่องแบบนั่นเอง ใช่ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้ะช่วงนี้อากาศที่นี่ก็เย็นเหมือนกันลูกๆ ก, ก็เริ่มหายโควิดกันหมดแล้วค่ะแต่ว่าก็มีเริ่มไ อ, อกลับมาอีกรอบหนึ่งนะเริ่มกลับามาไอก็เลยไม่รู้จะเป็นรอบสองหรือเปล่าก็ลุ้นกันต่อไปค่ะอาจารย์วันนี้มีอะไรค่ะจ้าคุณพระอาจารย์น้มรับน้อรับขออนทธรณ์พระอาจารย์ขออาจารย์ทัดแต่งแข็งแรงค่ะ ไปที่กลุ่นานาบอวินไม่ได้เข้ามานานานะมามาฟังสดที่หน้ากุติเลยไม่ได้เข้ามาไม่ได้มาสองวันเจ้าค่ะอ า, าจารย์กล่าวออกมาสักการอาจารย์เจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ได้มาไม่ได้เข้าฟังธรรมสองวันที่ผ่านมาเจ้าค่ะเสาร์อาทิตย์พอดีไปกราบหลวงปู่จันเรียนที่วัดธรรสหายเจ้าค่ะอาจารย์อืมคนเยอะไหมเยอะเยอะนเอะเจ้าค่ะ เขาไปใส่บาตรหลวงปู่ข้างบนกันแล้วก็เข้าไปฟังธรรมพอดีเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันมีนักศึกษากลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์เขาเข้ามากราบหลวงปู่ท่านก็เลยให้อวาสดนิดหน่อยเจ้าค่ะ mm hmm. ก็ก็ให้เหมือนที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะเพียงแต่ ว, ว่าได้ไปกราบท่านเพื่อนก็ชวนไปก็เลยถือโอกาสเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าที่พักตรงนั้นเน่เขาเขามีที่พักให้ได้ครั้งละเจ็ดวัน แล้วก็จะไม่มีญาติโยมเข้ามาในช่วงในวัดเลยในช่วงปฏิบัติอันนี้ก็น่าก็น่าจะจะสงบดีจ้ะค่ะพระอาจารย์อืมลองไปดูหน่ยไปลองดูก็ลองลองว่าถ้าเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปก็เจ็ดวันนี้คือเราปฏิบัติอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยเจ้ะขาพระอาจารย์เผื่อเผื่อว่ามีโอกาสไปก็ไปไ ป, ไปได้ครั้งที่สองเมื่อเมื่อเสาร์ที่ผ่านมา แล้ววันอาทิตย์เขาก็พาไปกราบหลวงปู่ทุยเจ้าค่ะพระอาจารย์อืก็พอดีท่านก็ให้ให้โอวาทเหมือนที่พระอาจารย์สอนเหมือนกันกไ็ได้ได้ได้ฟังได้ไปกราบท่านเจ้าค่ะไม่ได้ค่ะว่าสองวันวันนี้ก็เลยขอเข้ามาร่วมฟังธรรมแล้วก็เข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ารย์สาธุเจ้าอาจารย์สาธุเจ้าค่ะัดไปแม้วิรนต์ต่อคุณเจริญด <'m> <'m> แกนเปิดาใกันมันเพงจะเปิดค่ะกับนรมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้โยมก็เข้ามาฟังธรรมค่ะไม่ได้มีคําถามอันนี้ทํางานที่บ้านเหมือนเดิมทํางานที่บ้านเหมือนเดิมค่ะก็ก็แอบมีหงุดหงิดบ้างมีเรื่องกังวลใจก็เรื่องเรื่องลูกอะค่ะแต่เราก็เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์คือเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่วงที่เขาต้องเตร็มตัวในการเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะค่ะ แล้ว mm hmm. โยมก็ต้องตัดสินใจช่วยเขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องเลือกเรียนที่ไหนวิชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว mm hmm. คือโยมเนี่ยเป็นกังวลกังวลว่าสิ่งที่เราเลือกให้เขามันจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอะคะ่ะ mm hmm. ซึ่งความเป็นจริงโยมก็เข้าใจว่ามันไม่ว่าจะเลือกอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายหรือว่าดีที่สุดเสมอไป mm hmm. แต่แต่มันหยุดกังวลไม่ได้ค่ะพระ mm hmm. อาจา <c oughs> รย์นว่าจบที่นั่นเ <c oughs> หรอนว่าจบที่อเมริกานะ ค่ะหนูจบเอปริญญาโทที่นี่ค่ะแต่ว่าปริญญาตรีเรียนจากที่เมืองไทยมาค่ะเรียนเรียนโทที่ไหนเรียนอยู่ที่แมริแลนด์นี่แหละค่ะเรียนออ่ที่บัลติมอร์ค่ะเรียนเอ็มบีเออะค่ะแต่ตอนแต่ตอนปริญญาตรีนี่เรียนทิเทศจุฬาค่ะก็คือนิยมก็เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเข้าปริญญาตรีที่นี่อะค่ะแล้วนยมก็กังวลกังวลห่วง ห่วงว่าเราจะทำให้เขาไม่ถูกห่วงว่า p r o ์ e s s มันจะไม่ตรงเวลาหาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่จริงๆแล้วโยมคิดว่ายมกังวลเกินไปแล้วมันตัดความคลายกังวลไม่ไดท้ทั้งทั้งที่โยมก็คิดว่ายมรู้แล้วว่าจะเลือกทางไหนจะไปยังไงแต่เหมือนกับว่าความไม่มั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามากกว่าค่ะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาคะ่ะก็ความอยากมันเลยทาให้เรากังวลจะหาพัฒน อยากให้ได้ดีอยากจะแนะนำเขานดีดีค่ะทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นนะค ะ, ะแต่ยมก็รู้สึกว่ายมต้องปล่อยให้ได้เพราะว่าตัวเด็กที่เนี่ยเขาโตเกินกว่าอายุ<ะ>เขาเขาสามารถตัดสินใจอะไรได้มากกว่าที่เราคิด<ะ>แล้วเขาเข้าใจเขายอมรับเขายอมรับคอนซิเควนซ์ค่ะคือเขาเขาบอกว่านี่คือชีวิตของเขา<ะ>เขาจะต้องเลือกและตัดสินใจเอาเอง เขารู้ว่าแม่มีงบประมาณให้เขาเท่านี้แล้วเขาจะต้องทําอะไรบ้างคือเหมือนกับเขารู้แต่ความที่เราเป็นแม่เอเชียเราก็ความอยากของเราเนี่ยแหละคะ่ะทั้งที่เขาก็บอกเราว่าเขาจะทําอะไรแล้วเราก็เป็นห่วงมันหยุดมันหยุดความเป็นห่วงตรงเนี้ยมันมันยอมรู้สึกว่าตรงนี้ของโยมมันแรงว่ายอมวางไม่ลงอ่ะคะ่ะอาจารย์ แต่ก็สิ่งที่ทําได้ก็คือต้องปล่อยให้ได้มากที่สุดแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่านี่คือชีวิตของเขาเขาจะต้องเลือกแล้วก็จะต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกเพราะว่าเด็กที่โตที่นี่เขาก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วก็สิ่งที่เขาตัดสินใจก็ไม่มีไม่มีสิ่งที่ไหนไม่มีคําว่าถูกว่าผิดเด็กลู ก, ล, กลูกของเพื่อนเขาเนี่ยหลายๆคนเขาก็เรียนจบแล้วก็หยุดเรียนปีหนึ่งเพื่อที่จะไปค้นหาว่าตัวเองต้องการ อ, าอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะ Mm hmm. มันไม่เหมือนเด็กทางเมืองไทยที่เขาเรียนจบแล้วก็ต้องเร่งให้เข้ามาหาวิทยาลัยดีๆให้ได้คะแนนสูงๆ mm hmm. มีเรียนพิเศษของของโยมไม่มีแบบนั้นเลยอะค่ะ mm hmm. แล้วก็ให้เขาเลือกเอาเองว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ให้เขาไปสู้ของเขาเ อ, าเองเอะค่ะแล้วก็บอกเขาว่าโยมทําได้แค่นี้คอนดิชั่นของโยมคือแบบนี้ mm hmm. ที่เหลือนชีวิตของหนูเป็นของหนูนะอย่างอะค่ะ mm hmm. ยมก็ปล่อยเข้โตรงเขาเองอะค่ะพระอาจารย์อืมโอเคต้องทําใจกันนะอย่านงนั้นไม่มีอะไรแน่นอนค่ะพระอาจารย์ค่ะครับก็ยมก็บอกเข า, าจริงๆแล้วเนี่ยเรียนจบออกมาสิ่งที่เราต้องรู้เราก็ต้องมารู้เกี่ยวกับชีวิตอืมเราเมื่อเรามาเข้าทางพุทธศาสนายุมยิ่งเข้าใจว่าแม้ว่าจะทํางานอะไรออกมาสุดท้ายคนเราทุกคนก็จําเป็นที่จะต้องรู้ ทางศาสนาฉะนั้นการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยคือเลือกในสิ่งที่เขาชอบในเขาสิ่งที่เขาทำแล้วสุดท้ายก็ต้องก็ควรที่จะพิจารณาตัวเองเช่นกันยุงก็สอนเขาแบบนี้ค่ะก็ให้เขาเริ่มนั่งสมาธิค่ะค่ะอาจารย์วันนี้ก็มีประมาณนี้คับอาจารย์ yeah. <I> กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทักขันแข็งแรงนะคะ่าธุคุณมาลี พุทธการตอนธรรมคุณพ่อค่ะมีอะไรไหมก็ยังปฏิบัติควันไฉนค่ะอันนี้ขอถามนี้ิดนึ่งค่ะที่เราเห็นขันห้าเกิดแบบอะค่ะหลวงพ่อเลขานาสัญญาของขานยมยานตัวนี้ก็ยังเห็นได้เข้าใจได้พักเกณ แต่ว่ากายรูปร่างกายตัวเนี้ยมันมันยังไม่เกิดไม่ดับแต่ว่าไอที่เห็นได้ทางกายก็คือเป็นกายในใช่ไหมคะหลวงพ่อที่เราเห็นได้เกิดดับนะะไม่หรอกก็กายเนอกนะมันกายในมันไม่มีเกิดดับกายในา ใ, ในที่นี้นูมายถึงลมหายใจอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่ากายนอกมันมันจะเกิดดับยังไงคะหนูนยังยังไม่เข้าใจ มก็มันเกิดแล้วมันก็ต้องตายแต่มันยังไม่ตายมันมันจะเห็นได้ก็คือตอนที่ตายอย่างเดียวแต่ว่าถ้าในชีวิตประจําวันนี้มันมันก็ยังใช่ไหมคะหลวงพ่อมันมันไม่ได้แต่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันมันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอันนี้เห็นขอะหลวงพ่อแต่หนูแค่สงสัยว่าที่ที่พระเวลาสอนว่าเห็นขันห้าเกิดดับ หนูก็มองว่าสี่ขันน่ะมันเห็นได้มันเข้าใจได้แต่ว่ารูปร่างกายอันนี้ค่ะมันมันจะเห็นคือก็คือเราตายแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นน่ะมันก็มันก็เห็นก็เห็นลูกหน้าก่อนก็ได้เห็นจะต้องเห็นของจริงเนี่ยอวลาไปงานสพเอต่อไปร่างกายเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะและและอย่างเนี้ยถือว่าการเห็นขันห้าเกิดดับมันก็เหมือน เหมือนปัญญาใช่ไหมคะหลวมพ่อเหมือนมันจะเป็นปัญญาแต่เมื่อเราเราไม่ทุกข์กับมันไม่ทุกข์กับการการเกิดการดับของมันก็ไม่ว่ามันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดก็ปไยมันเกิดมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปเราไม่ไปทุกข์กับมันถ้ายังทุกข์กับมันก็แสดงว่ายังไม่มีปัญญาเข้าใจไหม ใช่หรอคะอ่าเวทนามันจะเกิดมันก็ห้ามมันไม่ได้สุขกเวทนาเดี๋ยวก็เป็นทุกขกับเวทนาเดี๋ยวก็เป็นไม่สุขไม่ทุกขกับเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่เราก็จะทุกขกับมันเวลามันเกิดทุกขกับเวทนาขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้มันทุกข์ใช่ไหมแตอถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอยู่ก่อทุกขเวทนาให้ได้มันจะมาก็ปล่อยมันมาไปอืห้ามมันไม่ได้ เนี่มันอย่างดี๋ยวมันก็ดับทุกขเวทนาเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมันไม่มันไม่ทุกไปทั้งวันเนี่ยสลับันไปสลับันมาเนี่ยน่าเรียกว่าเกิดดับกันดับนี่ดับสุกก็เป็นทุกขจากทุกก็เป็นไม่สุกไม่ทุกสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยมันอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงมันไม่มันไม่เหมือนเดิม นนมันไม่สามารถควบคุมบังคับได้อ่าใช่แต่ไมอยากจะบังคับมันก็จะทุกข์เวลาบังคับไม่ได้ถ้าตอนไหนเขาควมไม่ได้ก็เช่นไม่สบายกินยาได้กินกินแล้วหายก็ละแล้วไปถ้ากินแล้วไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้อย่าไปทุกข์กับมันแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเรามีสติดีแล้วก็ สมาชีก็มันก็จะตามที่ดีๆก็จะตามมาแต่ว่าจิตมันจะละเอียดขึ้นแล้วลมหายใจของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบละเอียดและบ้างมากหนูเข้าใจผิดใช่ไหมคะหลวงพ่ออ่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะค่ะมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นนก็นู้ตามความเป็นจริงแหมือนกั น, นมันไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญ ทำกันอยู่ที่ใจเรานน่งก็ปะเรามันจะเละไม่มันก็เรื่องของมันคือคือมันจะสงบนิ่งน่งน่งนงอ่าดูที่ดูที่ความนิ่งของเราอยู่ที่ใจเน่งก็ปาแล้วเวลาปฏิบัติแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะหลวงพ่อไม่เหมือนก็ร่้ว่าไม่เหมือนกันรูนน้วกันอืม ขยายไหมดู้แล้วก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรแน่นอนมันอนนี้จำเท่านั้นแหละอืมมันเข้าใจหลังอันนี้จำ ก, กับทุกสิ่งทุกอย่างการบรรยายของเราก็ไม่แน่นอนบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบบางทีละละเอียดบางทีก็ไม่ละเอียดมันก็เป็นใบตามมาร่าของมันไป เข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่ออย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันดีทุกวันบางวันมันก็ไม่ดีก็ได้ใช่ไห ม, มไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีถ้าวิเคราะห์เกิดจากสติเราไม่ดีมันก็อะไรไม่ดีถ้าสติเรา ด, ดีมันก็ดีใช่ไหมอาจารย์นะเข้าใจแล้วค อ น, นีหนูรายงานประมาณนี้ค่ะโอเคอันนี้ oh, ไปลักเสบะจ้ารักเสบะคุณปุย้ยจะมาหายไปแล้เอาไปกลับมาใหม่เลยยังไม่หายครักกอบอาจารย์กลับนวัสการจ้าอพอดีไปดูข้อความกลับเข้ามาอาจารย์สบายดีนะคะด้สบายดีจ้า โยมก็ไม่มีอะไรเจอแต่กิเลสค่ะเกี่ยวกับอาจารย์ที่มาสอนทางออนไลน์แต่ว่าก็เอาอยู่อะค่ะ mm hmm. เพราะว่าเขาไม่ชอบคนเอเชียต่อให้เราจะพยายามเรียนรู้เราเรารู้เรามามากขนาดไหนเอมเขาก็จะบอกว่าโยมไม่เก่งก็เลยบอกว่าอไม่มีปัญหาเราก็ฟัง mm hmm. ฟังเฉยเฉยเพราะเรารู้แล้วเรารู้ตัวแล้วว่าฉัน เรียนเกิดอยู่แค่ถึงอาทิตย์นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉันก็บายบายแล้วฉันจะไปปฏิบัติธรรมเพราะาเรารู้แล้วว่าเอมั น, ม, นมันเซ็งอะ่ะมันไม่ใช่ทางเลือกของเราแล้วแล้วเราก็มันเป็นข้อเหมือนกับอะไรนะพระอาจารย์เขาเรียกว่าเ อ, อมันเป็นกฎหมายอของที่นี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทํางานคุณก็ต้องหาอะไรทำอะไรอย่างนี้เพียงแต่มันเป็นข้ออ้างเฉยๆอย่างเงี้ยอฮแต่และมันไม่ชอบเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็เราหาที่เรียนไม่เอาอืม เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเรารับได้เราไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าหนักๆเข้าเดี๋ยวใจมันจะไม่มันเกิดกระเพื่อมมันมันไม่ดีก็เลยถอยออกมาแล้วโยมก็มีเวลายมนั่งสมาธิเนี่ยพระอาจารย์โยมเป็นอย่างเนี้ยมานานแล้วพอดีตะกี้ฟังน้องคนหนึ่งเขาบอกกับพระอาจารย์ว่าเขาเป็นโควิดแล้วเขาเวลากินของหวานแล้วมันมันจะมีเหมือนกับเสมหะมันติ และโยมเป็นอย่างเงี้ยเลยเลยพอเวลาหายหายมาไม่เกินเจ็วันเดี๋ยโยมเป็นอีกแล้วเป็นแค่วัดแล้วยมเป็นอีกแล้วโยมเป็นอีกแล้แควลลลคือบางทีเราเคยคิดนะว่าเฮ้ยผีเข้าเปล่าวะหรือผีเข้าเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้อยอาจารย์อืมแต่ว่าโยมไม่รู้ว่าโยมเป็นโควิดหรือว่ากีเลสมันเล่นโยมเวลายมนั่งสมาธิทีไรอะ่ะแล้วเมื่อเมือม่อเมื่อสามวันที่แล้วยมมีปัญหาคือ เวลาโยมฟังเสียงพระอาจารย์เนี่ยปกติโยมจะสงบแต่อันนี้มันเหมือนกับว่ามีคนเอาแก้วใส่เข้าไปในคอโยมพระอาจารย์ก็แล้วแต่ก็รู้ตามความเป็นจริงไปก็แล้วกันแล้วก็เฉยเฉยไปไม่ต้องไปวุ่นวายไรกับมันใช่แล้วมันทำให้มันสะดุดในสมาธิของเรามันสะดุดแล้วเราจะต้อง hack อออกมาแลวทีนี้มันทาให้เราต้อง ออกจากสมาธิแต่เราแต่เราก็นั่งต่อไปอ่ะอือฮึ่แล้วเราอหลังอย่าไปสนใจมันเลยเราก็นั่งของเราไปมันจะรู้สึกไงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับแบบอะไรที่มันมาติดติดติดติติติดติดติดติมก็ไปันติดไปเลยก็านมันติดไปเลยแล้วมันแบบมันออกมาอย่างเงี้ยพระจานทร์ก็เราไม่ต้องใช้อะไรเราไม่ต้องใช้ร่างกายตอนนั้นเราไปกังวลกับมันทำไมอือแล้วก็ภาวนาไปพุทโธไปดูลมไปห้องอะไ มันอย่าไปสนใจยิ่งสนใจเหมือนเหมือนคนอยากจะเกินน้ำลายเนะี่ยยิ่งสนใจก็ยิ่งใหญ่จะเกินคนบางคนคันยิ่งสนใจก็ยิ่งคันใหญ่นะ ใ, ใอย่าไปสนใจมันมันเป็นมันเป็นมานมากกว่าเป็นกิเลสสมารมากกว่าใช่โยมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละโยมก็เลยก่อนก่อนอ่ะโยมก็เปลี่ยนดับเหมือนกับพยายามหาวิธีอ่ะ มาสองเดือนแล้วนะพระอาจารย์โยมก็สวดมนต์ก่อนกวดน้ําก่อนโยมอุตซาบอกแล้วนะบอกเจ้ากรรมในเวรแล้วนะบอกว่าเออเอาบุญไปแล้วรีบๆไปนะเดี๋ยวฉันอย่ามันรบกวนนะฉันจะไปนั่งสมาธิแหละมันมันก็แบบมันก็ยังเกิดเหมือนกับว่ามีอะไรก็ไม่รู้อมันโยมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ไม่รู้ก็ไม่ต้องไปรู้หรอกให้รู้เฉยๆไปรู้มันเป็นอย่างนี้ก็พออืาแล้วก็เฉยๆกันไปต่างฝ่ายต่างอยู่กันไป อโอเคปูนีีหวยออกนะนะปูนีีรวยนะหวยพอให้ก่อนก่อนรี่จะขอนะปะ้ารย์ไ ม, ไม่ขอแล<ย>้วเดี๋ยวให้แล้วนี่ให้ป้าจัอวันนั้นอะอโยมอ่ะได้ยินจริงๆหูไม่เถื่อนนะอ่าแล้วแล้วทีนี้โยมไม่เชื่อตัวเองโยมคิดว่าโอ้หูโยมมาควายโยมก็ไปรีฟังแล้วมันก็ไม่มี ระยมก็ไม่ซื้อแล้วก็วัมันก็ออกมาออกแปดเก้าแล้ว <ừ. S 1> ทีนี้พออีกครั้งหนึ่งโยมก็ได้ยินอีกระยมบอกว่า hey, สงสัยเราอ่ะอิส ต, ติฟั้นเฟือนไปแล้วล่ะเราได้ยินอะไรก็ไม่รู้เมื่อเงินที่แล้วระยมก็ไม่เชื่อจิตตัวเองโยมก็ไม่ซื้ออย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อเดียร์ล่ะใช่ไม่ลมหลอกไง ừ, อย่าไปเล่น <ừ. S 2> ดย่านีทีนี้โ <Yeah. S 2> ยมโยมไม่เคยฝันนะพอาจารย์และโยมชอบเนี่ยเมื่อสองสามวันที่แล้วโยมฝันน่ะ แล้วยอมก็ไม่เชื่อยอมก็ไปยมก็บอกบอกบอกให้ตยยมก็ไม่เชื่อเออยอมเป็นอย่างี้ไม่แบบเราเราก็ช่วยรัฐบาลนิดนหน่อยน่อยพรอาจาหนูอ่ <c oughs> อาโอเคช่วย <c oughs> <Okay. S 2> ชาติชต่วยชาติพระอาจารย์โอเคาุ <c oughs> าจาย์อาจารย์ขอให้ทัดขนันพระอาจารย์แข็งแรงนะคะยม <Yeah. S 2> ม า, ากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เป็น <c oughs> กาลังใจให้ยมค่ะข อ, ขอคุณผู้ให่เป็นนานๆสวยแม่สั่งมาไม่ก็เลยนะ อาทูเจ้าค่ะขอให้โยมรวยๆนะเจ้าค่ะโอเคสวยไหมเอารวยดีกว่านะสวยสวยแล้ว <c oughs> สวยแล้วโอเคไปที่อาจารย์สายทิพต่อาจารย์สายทิพ็สวยป่ะเรื่องรวยนะืงสองอย่าง ยังไม่เปิดไม่เอาเอาแค่พอเพียงก็ได้ค่ะพระอาจารย์พอประมาณเนี่ยไม่มากไม่น้อยพอใช้ค่ะให้ใช้ไปจนตายเอาแค่นี้ก็พอค่ะวันนี้อยู่ร้านยาค่ะพระอาจารย์อก็ได้แว็บไปแว็บมาอยู่เวนนะอยู่เวนค่ะน้องอีกคนไปราชการได้ต้องอยู่สลับกันก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติแล้วก็นั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆค่ะ อ่าย็นดีอยางทาไปเรื่อยๆนะค่ะโอเคแล้วก็ดูกิเลสในใจตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะพระอาจารย์กิเลสเยอะอยู่แต่ก่อนมองคนอื่นตอนนี้กลับมามองตัวเองเวลาที่เราเห็นกิเลสคนอื่นก็คือเห็นกิเลสตัวเองอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เห็นของเราดีกว่าเราจงได้กําจัดมันได้นะก็เลยก็เลยเห็นเยอะหยุดค่ะพระอาจารย์ค่อยๆค่อยๆตัดค่อยๆกาจัดมันไปค่ะแพ้มั่งชนะมั่งค่ะ โอเคจ้าะค่ะสาธุค่ะคุณจอยต่อจอยวัทยาไงไงมันส่์นี้ไปไราบาหรับเปล่าไปค่ะมีอะไรมั้ยหนูก็ปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมปฏิก็มีเหมือนเดิมค่ะแต่หนูก็สู้ๆยอมบากแล้วก็ไม่ยอมบ้างโอเคพยายามปฏิบัติทุกวันนะ ปากค่ะนมัน้าสมาธิตกสุวงเช้าโอเคดีจ้ะอ่าดัอ่าบยนี้คุณหมอหนะ้าทวชเิญคหมอครับครับน้อการพระอาจารย์ครั บ, บ, รรรบเดี๋ยววันศุกร์นี้เข้าไปครับอเออแบตชา์แบตเตอรี่นะครับอ่าแต่ <Okay. S 2> แต่มีคุ้มสอบอาจจะเข้าไปไปเทคนิคหนึ่งครับมาแต่เรียนต <Okay. S 2> ั้งปับเวลาขับมาโอเคดีอ่าึงไม่มีอะไรนะ มีมีคำถามครับนน ท, ที่ที่พระอาจารย์เทศครั้งขอดครับที่ว่าให้ใจทำใจให้ให้ให้ใหนิ่งให้เฉยวางไปดูเบตขาค ร, ครับนี้ผมก็เคยไปฟังเทศของปูชานาแล้วเราก็ไม่เข้าใจก็คือท่านพูดเหมือนกับน้ำไหลนิ่งอะไรเงี้นี้ก็เลยมานั่งนึกว่าไอ้อไใจคือเราใจลรนิ่งแต่ว่าไอ้พวกเวทนาสัญญาสังขารมันก็ไหลไปแต่ว่าใจไม่ไปสัมผัสเป็นเป็ น, ปนหยดน้าในใบบัวอะไรงี้ เป็นเป็นตวามถูกเป็นถูกต้องไหมครับอ่ะด้วยใจเราไม่มีปฏิกิริยาใชครับอหมไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่มีอาลองทำอะไรนะครับครับอ่ะก็คือเฉยนี่งแบบนั่งแบบโมเบกขาไม่รักชังกลัวหลงครับอ่ะก็คือพวกแต่ทีนี้ยังคิดได้ยังคิดยังสัมผัสรับรู้กับอะไรต่างๆได้ครับอ่ะแต่ว่าเราก็เขาวางเฉยใจเป็นกลางครับไอ้ด่าก็เฉยไม่เดือดร้อนไอ้ชมก็ไม่เลยดีใจอะไรอย่างนี้ ครับอ่ะครับอ่ะน้าหยดน้าบนใบบัวมันมันมันไม่ต่อเส้นเพราะหากันครับอ่ะเก็ปเราะาเวทนามันก็ก็คือก็มันก็มีแต่ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปมันมาแล้วก็ไปครับครับอัะไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันครับอ่ะน่นนะครับเราฝึกสมาธินี้ก็เพื่อให้ได้ออาไปขานี่ครับอ่ะแล้วก็รับสารไปขาให้ได้ปัญญาก่อไครับอ แล้วคราวนี้ผมมีคําถามนิดหนึ่งครับเพอะอย่างครั้งที่แล้วเทจันเทศล้วก็ก็พยายามดูใจแล้วก็เรานิ่งเหมือนกันแต่ว่าเหมือนคั้งที่แล้วดีของคุณผู้ยกันครับคุยตลบอะไรนิดหนึ่งเราก็เหมือนกับอ่า ท, ที่เรื่องอ่าอะไรหูแว่วไปได้ยินเสียงเป็นตัวเลขกันแล้วเราก็รู้สึกออกไปสไวยอารมณ์นิดหนึ่งมาลุกถือออกไปเรียบร้อยแต่เราก็ไม่ได้มีความอยากไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ขำไปตอน น, นั้นนิดนึงแต่ว่า อ, อ, อันนี้มันก็ไม่นิ่งใช่ไหมครับ อ, อ เน้นพราะนั้นรักษาก็ต้องให้มันให้มันเฉยแบทุกอย่างหรือว่าหรือว่าเราก็ไปเสวยได้ถ้าเราไม่มีความอยากไม่มีความฟุ้กมันก็ไม่เกิดแล้วฉันผันสันผันรับรู้ได้แต่ไม่ไม่ไม่ไปยินดีอะไรกับมันอ่าครับพันนั้นถ้าเรายังรู้สึกว่าอ่ามันก็ยงยินดีอยู่ก็แสดงว่าก็ยังไม่เฉยยังไม่เฉยครับอ่าครับอ่าครับนต้องก็ยังแสดงว่ายังไม่เฉยในใจครับครับ อั น, นก็ต้องยินดีแล้วก็รู้เฉยๆไปมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปมันไม่ไปยุ่งกับมันครับครับอันนี้ถ้ามันถ้ามันถ้ามันรู้สึกว่ามันมันตลบมันอะไรเราก็รับรู้ได้แต่ว่าเราไม่ไปอยากอันนั้นก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ ต, ต้องเฉยๆรู้เฉยๆต้องรู้เฉยๆเลยครับ ก, ก็ต้องไม่กระเพื่มเลยครับอืมครับครับงั้นก็ต้องสติเยอะกว่านั้นอีกเดยอบครับ ก็ทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเฉยๆครับนะได้ครับนะโอเคนะครับผมครับมีค่าฐานขอบคุณท่นอีกครับมีใครอยู่ในห้องที่ไม่ได้เปิดกล้องไหมอยากจะเปิดกล้องมาพูดได้นะถึงคิวพูดแล้วพวกที่ไม่ได้เปิดกล้องนแต่อยากจะพูดถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะไปที่คําถามทางบ้านก่อนนะออันนี้เป็นค่ะเป็นกฤิเปิดกล้องมาแล้วว่ามาเอาคุณลีก็เปิดกล้องเอาเอาคุณลีก่อนเอาไป มันรก่อนกำนำ้มัสการพระอาจารย์เจาา้าค่ะอช่ไหมอมไม่ได้มีคำถามเจ้าค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้เข้าซูมแต่ว่าฟังอยู่ข้างนอกเจากา้าค่ะโอเคมาทักทายนะมาทักมายังยุมาบอกว่ายัางอยู่นะยังไม่ตามนะ <laughs> ลูกคลิกจอยแล้วรับได้เลยโหดีใจมากตอนแรกนึกว่าสักสี่ทุมกว่าของสี่ทุ่มสิบอะไรอย่างงี้ค่ะวันนี้คนไม่ค่อยมีคําถามเท่าไหร่มันก็เลยหมนเลยพระอาจารย์สบายดีนะจ๊ะค่ะก็เหมือนเดิมมันก็ยังอยู่ได้มันกินได้นอนได้ค่ะค่ะโอเคยินดียินดีได้เจอกันอีกตาทุจะรูตัดผมสั้นมากแล้วนะจ๊ะค่ะมันสั้นมาแน่เลยแไปแบบมันต้องหวีเลยแบบมันต้องหวีเลย เจ้าขาจะอาตันขึ้นเรื่อยๆดีค่ะค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะพระอาจารย์เพิ่งเกิดบันเด็จเกณฑ์ขับน้ำมัตการครับพระอาจารย์วัพอดีเพิ่งถึงบ้านแล้วเพิ่งมาจัดการเจ้าลูกชายครับอทําอะไรนะพอไปวันนี้ไปก็นวดหลวงพ่ออารมณ์ดครับแล้วก็พอดีมีพี่ที่เป็นเขาเป็นเหมนพิการนะครับแล้วเขาขาย คุกก yeah, really yeah. yeah. so uh, so ี้ครับแล้วเขาเขาบอกว่าเขามีอาการแบบออฟฟิศซินโดรมนิดนึงมีอาการปวดปดคอปวดหัวครับอืมก็เลยเขาก็เลยแขอให้ช่วใช่ใช่ก็ก็เลยวันนี้เลยกลับช้าช้าไปเลยครับอ่ะครับอาจารย์สุดทติยกันลุกไัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวันเสาร์วันอาทิตย์ก็พาไปทําบุญที่บ้านลานเสียงธรรมมาครับพอาจารย์ พยายามให้เขาได้ทําบุญไปสัมผัสแล้ะช่วยทําจิตอาสาด้วยครับเราทําอะไรก็ช่วยเข้าไปด้วยเขาจะได้ซึมซาบครับพอดีที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธด้วยครับที่ลุงอรุณครับเขาก็จะมีให้สอนนั่งสมาธิอ่าแล้วก็สวดมนต์ทุกวันครับอยู่กับสติครับทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่ครับต้งแตปีใหม่ก็ตั้งใจว่าจะสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิตามแบบ จนกว่าแบบไม่ไหวก็ให้มันหลับไปเลยอืมครับอโอเคนะฮะสาธุครับอขอทักท<อ>ันเงยพระเ จ, จ้าแข็งแรงจ้าคุณจ้าต่ออ้านมัสการครับาาอาจารย์เออมีอะไรไ้ยวันนี้ <c oughs> อ้าวันนี้หนูสงสัยเรื่องอ่า เวลาที่ถ้าเกิดว่าเราไปอหาหมอแล้วแบบผ่าตัดอะไรค่ะแล้วคุณหมอวางยาสลบมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้รู้เหรอคะคือเหมือนเหมือนตัวยาสลบมันไปตัดตัดวิญญาณที่เกาะอยู่กับอายตนะอะไรอย่างนี้เหรอคะเออมันไปบล็อกมันไม่มันไม่มันไม่ส่งสัญญาณไปทางที่ที่ตาหูจมูกเรือทางทางที่มันยายาที่ฉีดไว้ถ้าทําฟันมันก็บรรก็ะเบ้อ ความรู้สึกตรงช่วงแถวบริเวณฟันไปเลยไม่รู้สึกแต่คือจริงคือมันเหมือนแบบคือวิญญาณมันแค่ไม่สามารถที่จะไปรับรู้อะไรได้เฉยแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็ยังเกาะอยู่ตรงนั้นไม่ได้เหมือนกัเราเสียบปลั๊กไว้แต่ไฟไม่มาไงอืมโอเคจะ <laughs> อย่างนี้ชัดเจนองโอเ ค, อเคอบงที่ไฟดับไฟดับไฟมันก็เลยไม่มา ใจละอืมเียนยามนะวิ ญ, ญนยามมันเหมือนสายที่เราเสียไปในในปากต่างๆเสียเป็น<ไ>เสียไปที่ตาเสียไปที่หูสับเสียไปที่ร่างกายร่างกายก็ะทู้สะพานกายเลยถ้าเกิดเกิดเกิดไปฉีดยาตรงไหนเป็นยาชาตรงนั้นก็ยาไม่รับรู้เรื่องอความรู้สึกตรงนั้นไปอ่าอืมคค่ะแต่บางยาสลบนี่เราไม่รู้เา้าทํำยังไงก็ทําให้หลับร่างกายหลับไปเลยยังไงม่ร อ่าทีนี้เวลาท่านนั่งสมาธิที่จะเข้าไปถึงจุดที่สงบได้มันเป็นเหมือนอขั้นตอนเดียวกันท่านนอนเราเราถอดป้าปลอกนะเราเป็นคนหนึ่งป้าปลอกเองอหนึ่งปา้าเพื่อไม่ให้รับราลูบเสียงกินรถที่เข้ามาเราใช้สติดึงมันออกมาเลยพุโทโธพุทโธเนี่ยเรากำลังดึงป้ากลอกอ่อนึ่งได้สําเร็จปั๊บจิต ก, ก็รวมเป็นหนึ่งศัพท์แต่ว่ารูปเสียงกินรถก็หายไป อาจารยัไหมค่ะพอใจกลัมาค่ะแต่กขอบพระคุณครับอาจารย์มีเท่านี้เหรอค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะเป็นไงปลอดแล้วเท่านี้ น, น, นาวไหมโอเคค่ะช่วงนี้อ่าก็อนอุ่นขึ้นมาแป๊บหนึ่งมันมีพายุหิมะเข้าตอนแรกแล้วก็บ้านเมืองปิดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ค่ะตอนนั้นหนูยังอยู่ไทยอยู่แต่ว่าพอหนูกลับมาโอเคได้ สาธุาค่ะพระอาจารย์ไปที่คุณลาคุณลามีคำถามไหมรับนมัสการ์ค่ะพระอาจารย์มีคำถามทั้งหมดเจ็ดคำถามจากทาง YouTube และ f a c e b o o เจคะ่ะสองคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการ์พระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งความไม่อยากยึดติดกับร่างกายอยากให้ใจเป็นอิสระจากกิเลสเพื่อที่จะได้ไม่ทุกข์ ความอยากเหล่านี้ถือเป็นตัญหาหรือไม่ครับถ้าเป็นควรวางความคิดอย่างไรครับเออมันเป็นความอยากที่เป็นธรรมะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นกิเลสาการอยากปล่อยวางมันจะทำให้เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้คำถามข้อที่สองกระผมเพียร น, นั่งสมาธิทุกวันระลึกถึงความตายเป็นครั้งคราวไม่ได้นึกบ่อย แต่นึกทีไรก็จะรู้สึกกลัวมากครับแต่ถ้าผมระลึกถึงความตายบ่อยๆมองให้เห็นเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์และธรรมชาติกับรู้สึกเหมือนจะเริ่มชินไม่กลัวมากผ่อนคลายและยอมรับได้มากขึ้นแม้จะยังมีความกลัวอยู่ผมปฏิบัติแบบนี้ถือว่ามาถูกทางไหมครับหรือควรปรับปรุงอย่างไรครับกรอบดวงเล่นะสลับกัน เวลานั่งสมาธิก็ทาใจให้เน่งเอาอยากสมาธิมาก็คิดถึงความตายใ ห, ให้ให้จิตมันยอมรับความตายให้ได้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์ต่อไปคำถามต่อไปจากคุณกอฟเรื่องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามที่พระอาจารย์ได้สอนเรื่องการตอบแทนบุญคุณผมได้ย้อนคิดถึงว่ากว่าเราจะโตมาท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมาย ใกล้วันเกิดผมแล้วผมอยากจะซื้อของให้พ่อแม่คิดว่าการซื้อเครื่องประดับของมีค่าเป็นการตอบแทนบุญคุณในทางธรรมหรือทางโลกสมควรที่จะทำไหมครับที่ผ่านมาส่วนใหญ่กระผมจะดูแลท่านเรื่องสุขภาพยาเรื่องการพักผ่อนการนอนมากกว่าครับขอคําแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับ อ๋อได้ทั้งนั้นน่แล้วแต่เราเราอยากจะทำอะไรให้ท่านก็ทาไปดีที่สุดก็คือดูว่าท่านต้องการอะไรจะดีกว่าใ ห, ใ ห, ให้ให้ในสิ่งที่ท่านต้องการท่านก็จะได้มีความสุขให้ในสิ่งที่ท่าไม่ต้องการท่านก็จะไม่ค่อยมีความสุขคำถามต่อไปจากคุณดิมเพิลขอโอกาสกราบเรียนถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ เนื่องจากต้องคลุกคลีกับคนในครอบครัวเวลามานั่งสมาธิแล้วทำให้ฟุ้งซ่านหากลูกใช้วิธีฝึกเจริญสติไปก่อนเรื่อยๆโดยงดการนั่งสมาธิได้หรือไม่เจ้าคะได้ถ้านั่งสมาธิแล้วมันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ต้องฝึกสติไปก่อนคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสิทธาคตพระอระหันต์ตายแล้วเกิดหรือไม่ครับ อ๋อท่าไม่เกิดแล้วผ่านแล้วแถ้าเป็นเป็นรูปอื่นนี้ท่านยังถ้าเป็นผ่านระยะระดับอื่นยังเกิดอยู่คนถามต่อเนื่องผมเห็นคลิปหลวงปู่บอกว่าพระนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสรุปแล้วนิพพานเป็นสวรรค์ใช่ไหมครับได้ก็เป็นเป็นที่ที่มีความสุขมากที่สุดเป็นความสุขที่ยั่งยืงออนถาวร คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีโอกาสไปบนเขาปฏิบัติอีกและอดอาหารสามวันเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าดีต่อการภาวนาจะขอถามพระอาจารย์ว่าถ้ากลับมาปฏิบัติที่บ้านแล้วอดอาหารได้น้อยกว่าที่เคยทำจะลดระดับการทำสมาธิไปหรือเปล่าครับก็ลองดูสิลองดู คำถามสุดท้ายจากคุณแพรกราบนมาสการเจ้าค่ะการกําหนดลมหายใจเข้าออกทําไมรู้สึกหายใจไม่สะดวกเจ้าค่ะก็เวลาดูโทรดูดูทีวี TV, มันหายใจสะดวกก็เปล่าถ้ามันหายใจสะดวกก็สนากิเลนมันมาสร้างนิวรนคอยขัดขวางการดูลมของเราน่ถ้าดูลมไม่ได้ก็ใช้พุโทโธไปก่อนนึกสวดมนต์ไปก่อน หมดแะ้วใช่ไหมโอเคก็ทุกคนก็ได้ถามหมดแล้วนะคําถามก็หมดแล้วทีนี้ก็อาจจะขอเรื่องเร็วหน่อยนึกคันมีใครเหรอครับอาจารย์คันชิตเหรอครับคุณคันชิตนะครับว่าปรบสมัสการกับอาจารย์ไม่มีอะไรครับก็มากราบอาจารย์ครับโอเคโอเคนะทุกคนก็ได้ถามหมดแล้วนะเอคิดว่าตัวนี้เอาแค่นี้ก่อน